สภาพร่างกายให้มีความพร้อมการเตรียมสภาพร่างกายมีความพร้อมไม่ใช่การบังคับเอากําหนดเอาว่าจะให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตรงกันข้ามเลยเริ่มต้นขึ้นมาเราสังเกตก่อนว่าสภาพร่างกายของเรากําลังเป็นอย่างไรอยู่เริ่มต้นจากฝ่าเท้าซึ่งมันมี ความเป็นอวัยวะที่สะท้อนแนะว่าพื้นจิตพื้นใจของเรากําลังเป็นอย่างไรอยู่ฝ่าเท้าที่วางราบกับพื้นดูซิว่ามีกล้ามเนื้อที่มันยังมีอาการเกรง็งมีอาการงอมีอาการงุ้มอยู่ไหมถ้าหากว่ามีอาการงอมีอาการงุ้มก็ให้แผ่ฝ่าเท้าให้มันวางราบกับพื้นแบบสบายคลายจากอาการเกรง็งอาการงองุ้มจ้ะ อย่างนั้นสํารดวจขึ้นมาว่าฝ่ามือมีอาการกำ ม, มีอาการเกรงไหมถ้าหากว่ามีอาการกำนั่นคือนิมิตหมายของจิตที่ยึดนั่นคือนิมิตหมายของจิตที่มันยังคล้องอยู่ติดอยู่แต่ถ้าหากว่าฝ่ามือของเราวางระทาบกับหน้าตักด้วยอาการผ่อนคลายสบายอย่างนั้นมันมีความเป็นนิมิตหมายของจิตที่ปล่อยวาง ที่คลายออกหนะมือนี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของอาการยึดหรืออาการปล่อยเลยเมื่อฝ่าเท้าและฝ่ามือมีอาการผ่อนมีอาการคลายคุณจะรู้สึกถึงความว่างว่างจากอาการเกรง็งว่างจากอาการกรรมมันเป็นความว่างที่สบายขึ้นมาครึ่งตัว จากนั้นไล่สังเกตมาจุดสุดท้ายนะที่ใบหน้าใบหน้ามีอาการขมวดคิ้วอยู่ไหมมีอาการตึงที่ขมับอยู่ไหมถ้าตึงหรือขมวดก็คลายออกด้วยอาการคลายออกทั้งหมดทั้งเท้าทั้งมือแล้วก็ทั่วทั้งใบหน้านะคุณจะพบว่าร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในอาการผ่อนพักอยู่ในอาการรีแล็กซ์เพราะว่ากล้ามเนือ้อทุกส่วนในร่างกายนะมันผูกอยู่กับามจุดหลักนี่แหละ สามจุดหลักนี้คือเท้ามือแล้วก็ใบหน้ามีอาการผ่อนพักกล้ามเนื้อทั่วตั้งกายก็ผ่อนพักตามเมื่อร่างกายมีความพร้อมที่จะให้เป็นที่ตั้งของจิตที่สบายจิตที่ผ่อนคลายความสงบก็เกิดขึ้นเองความสงบแบบชั่วครู่ความสงบอันเกิดจากการที่ไม่กำไม่เกรงความสงบจากการที่ไม่มีต้นเหตุของความฟุ้งซ่าน จิตสลงออกไปข้างนอกพยานอยากออกไปยึดอยากออกไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายแต่ว่าเข้ามาผ่อนคลายที่ภายในเข้ามาคลายเข้ามาวางจากร่างกายเป็นอันดับแรกเมื่อร่างกายมันมีความผ่อนพักสบายดีแล้วขอตั้งหลังตรงไม่มีอาการงองงุ้มที่เท้าไม่มีอาการกรรมที่มือไม่มีอาการขาหมดที่คิ้วก็ให้สังเกตดูว่า ในขณะนั้นร่างกายมันมีความต้องการลมหายใจเข้าอยู่ไหมถ้าหากว่ามีความต้องการลมหายใจใจเข้าเราก็แค่ลากลมหายใจเข้าสบายๆอาจจะพองหน้าท้องออกนิดนึงพอลมหายใจเข้าไปสุดที่ปอดเกิดความอึดอัดขึ้นมาคุณก็จะรู้ว่าถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องระบายลมออกเมื่อระบายลมออกจนหมด ลองสังเกตดูว่าร่างกายเขาต้องการที่จะเอาลมเข้าในทันทีหรือเปล่าจริงๆไม่ต้องนะร่างกายเนี่ยสามารถหยุดพักได้แป๊บหนึ่งคุญจะนึกภาพออกนะภาพที่ร่างกายต ร, ต, รตรงอยู่ในท่านั่งคอตั้งหลังตรงไม่มีลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกมันมีแต่ความรู้สึกโปรง่งสบายแล้วก็ว่าง อร่างกายมีความหิวลมหายใจเราเค่อยเอาลมหายใจละลอกใหม่เข้ามาด้วยการอย่างนี้จิตจะมีความเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยๆไม่ใช่ผู้อยากปกติเนี้ยนะเวลาทาสมาธิเนี่ยคนจะมีอาการอยากอยากจะเร่งให้ลมหายใจเข้าเร็วๆอยากจะเร่งให้ลมหายใจออกเร็วๆนึกว่าเป็นทางมาของสมาธิแต่ที่แท้แล้วนั่นเป็นทางมาของอาการอยาก อาการยึดอาการหลงไปบังคับอาการหลงไปสร้างสันอะไรขึ้นมานะที่ก่อให้เกิดความพุ่งสัน้นเป็นต้นเหตุของความพุ่งสัน้นลองสังเกตดูถ้าหากว่าจิตมันมีความเป็นผู้ดูอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นผู้อยากไม่ได้เป็นผู้เร่งให้ลมหายใจเข้าออกมันสังเกตอยู่เฉยๆ ถึงเวลาที่ลมหายใจควรจะเข้าหรื อ, อยังถึงเวลาที่ลมหายใจควรจะออกแล้วหรื อ, อยังโดยความเป็นผู้สังเกตอยู่อย่างนี้เนี่ยนะจิตมันจะมีความสบายจิตมันจะคลายความคึดอัดนั่นก็เป็นเพราะว่าจิตไม่ผลิตความอยากออกมาไม่มีอาการทยานยื่นออกมาแต่ตั้งเป็นตั้งตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยๆเป็นผู้สังเกตการอยู่เฉยๆ ในการสังเกตการอยู่เฉยๆอย่างนั้นคุณจะมีความรู้สึกสบายทางจิตนั่นเรียกว่ามีความสุขทางจิตเป็นภาษาของการเจริญสติก็ต้องเรียกว่าจิตมีสุขเวทนามีสุขเวทนาทางใจอยู่แต่สุขเวทนาทางใจนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่ต่างจากลมหายใจเพราะว่า เมื่อไรที่คลื่นรบกวนคือความพุ้งสั้นมันโล่ขึ้นมาในหัวมันก่อตัวขึ้นมาในหัวเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าความสบายทางใจนะั้นะหายไปนี่ก็แสดงความไม่เที่ยงที่บังคับไม่ได้ของความสบายของของเวทนาแล้วคุณก็จะเห็นด้วยว่าอาการทางใจอาการที่มันมีความสบายบ้างมีความอึดอัดบ้างเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเนี่ยภาวะ ที่จิตมีความสงบหรือจิตมีความผุ้งสร้างในจิตมีความสงบจริงนะภาพตัวตนของคุณจะหายไปในความรู้สึกว่าตัวเราเป็นชายตัวเราเป็นหญิงเนี่ยมันจะเหมือนกับล่องหนหายไปเหลือแต่ความรู้สึกว่าว่างเหลือแต่ภาพของความสว่างภาพของความเอเปิดกว้างออกไปของกระแสจิตอ่าเกิดความผุ้งสร้างขึ้นมาจนนอนะงับไม่ได้ มีความวุ่นวายใจมีความว้าวุ่นใจไม่สามารถกลับมาสังเกตลมหายใจต่อก็อให้กลับไปนับหนึ่งใหม่เลยนะดูว่าฝ่าเท้ามันมีอาการงองงุ้มอยู่ไหมกล้ามเนื้อมีอาการเกร็งไหมฝ่ามือมีอาการกรรำอยู่บ้างไหมมีอาการที่มันขืนขๆเกรง็กรงๆอยู่บ้างไหมใบหน้านะมันมีความสบายไม่ขมวดไม่ตึงอยู่หรือเปล่าเนี่ยไล่สังเกตมาแล้วค่อยมาดูใหม่ ว่าร่างกายถึงเวลาต้องเอาลมหายใจเข้าแล้วหรือยังถึงเวลาที่จะต้องระ บ, บายลมออกแล้วหรือยังหรือว่าควรจะอยู่นิ่ ง, งๆเฉยๆโด ย, โดยปราศจากลมหายใจเนี่ยกลับไปกลับมานับหนึ่งไปจนกระทั่งถึงสิบเนี่ยในที่สุดความสม่ำเสมอเนี่ยนะถึงจุดหนึ่งมันจะทําให้เกิดภาพทางใจมันจะรู้สึกว่าร่างกายเนี้ยคอตั้งหลังตรงนั่งทรงอยู่ แล้วก็มีลมหายใจสูบเข้าสูบออกสูบเข้าสูบออกมันกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาทั้งลมหายใจขาเข้าทั้งลมหายใจขาออกเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่อันเดียวกันและบางทีเนี่ยลมหายใจเนี่ยนะมันก็เข้ายาวบ้างเข้าสั้นบ้างแล้วแต่ความต้องการของร่างกายบางครั้งร่างกายก็ต้องการลมยาวบางครั้งร่างกายก็ต้องการลมสั้นเอาแนวนอนไม่ได้ นี่ตัวนี้ภาวะที่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละที่พระพุทธเจ้าอยากให้เห็นนะสาวกของพระองค์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้เห็นว่าลมหายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงเห็นว่าไอความสุขความทุกข์เนี่ยที่เป็นเวทนาทางใจนี่ก็ไม่เที่ยงนะเมื่อไร่ที่ใจเป็นอิสระมันเว้นวักจากความคิดไปรู้สึกโปร่งรู้สึกเบาอย่างนั้นก็เป็นมีความสุข แต่เมื่อไดที่คลื่นรบกวนความผุ้งสร้างมันก่อตัวขึ้นมาในหัวใหม่ก็เกิดความรู้สึกกระวนกระวายเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมานั่นก็เพราะว่าจิตเนี่ยสภาวะของจิตมันไม่สามารถที่จะสงบเป็นกุศลอยู่ได้อย่างเดียวบางทีมันก็เป็นอกุศลมันมีความว้าวุ่นมันมีความผุ้งสรานโดยการเห็นอยู่อย่างนี้นยทั้งขอบเขตของกายใจนี้เนี่ยมันสแสดงความจริงที่เรียกว่า เป็นความจริงที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นไม่ได้พอดูเข้ามามันต้องเห็นความไม่เที่ยงดูเข้ามามันต้องเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนมีแต่ความว่างจากอาการที่เราหลงเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนพอมาโนภาพหายไปนะเหลือแต่ความว่างร่างกายนี้มันก็ปรากฏโดยความเป็นของปลวง เวทนานี้ก็ปรากฏเหมือนกับฟองน้ำที่ป่องออกมาแล้วก็แตกดับไปก้นเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจะทำให้เกิดปัญญาแบบพุทธขึ้นมาเรียกว่าเป็นพุทธิปัญญาคือมีความเห็นออกมาจากจิตตรงๆเลยว่าทั้งหลายทั้งปวงในความเกียรกายใจเนี่ยสแสดงความไม่เที่ยงอยู่จริงๆ พอเห็นอย่างนี้ได้ในขณะหลับตาลืมตาขึ้นมาก็สามารถกลับไปสังเกตได้เช่นกันนับเริ่มจากดูว่าเออกาลังเท้าสบายอยู่ไหมมือระบายอยู่ไหมใบหน้าสบายอยู่ไหมมันก็จะเกิดปติเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวจากนั้นพอเราถามถึงความจริงที่มันปรากฏอยู่ตั้งลมหายใจเนี่ยนะลมหายใจนี้มันเข้าหรือมันออกอยู่ มันหยุดอยู่หรือเปล่ามันยาวอยู่หรือเปล่ามันสั้นอยู่หรือเปล่านี่ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดสติเข้ามาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นจากนั้นเนี่ยพอมันจะมีความเป็นทุกข์หรือเป็นสุขจากเรื่องกระทบกระทั่งในระหว่างวันอย่างไรก็ตามมันก็จะเห็นความจริงเช่นกันว่าทั้งทุกข์ทั้งสุขเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลา เกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงตลอดเวลาทุกลมหายใจโดยการเห็นอย่างนี้ในที่สุดนะแม้กระทั่งลืมตาเนี่ยมันก็จะมีสติที่จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเรื่อยๆ เ, เห็นว่าในขอบเขตกายใจนี้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆจิตมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะเริ่มต้นขึ้นมาถ้ามีทุนไว้ก่อนฝึกอาณาปานาสติแบบที่พระพุทธเจ้าสอนนะคือให้สังเกตว่า ลมเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นจิตเมื่อเห็นว่าลมเดี๋ยวก็เข้าบ้างออกบ้างยาวบ้างสั้นบ้างรู้ว่าไม่เที่ยงปุ๊บเนี่ยความไม่เที่ยงนั้นก็จะไม่สามารถตรอบงาำจิตได้มันจะไม่เกิดอุปาทานว่าลมหายใจเป็นของตนแต่จะเกิดความเห็นตามจริงว่าลมหายใจเนี่ยเป็นแค่ธาตุลมมีอาการพัดเข้ามีอาการพัดออกไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขามีแต่ความเป็นธาตุลมอยู่เท่านั้น เอาละก็ อ, า, อนานาปานสติเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านขยันขยอให้ฝึกถ้าใครจำไม่ได้นะที่ไกลไปเนี่ยลองกลับไปฟังเทปเอาไ ป, ไปฟังคลิปเอาทุกครั้งจะจะพูดในโครงสร้างเดียวกันนี้แหละแล้วก็จะแตกต่างไปในรายละเอียดเล็ก ๆ, กๆน้อยๆ น, นะถ้าหากว่า จะเข้าไปฟังตรงๆแบบสั้นๆก็เข้าไปที่เซา c l o u d c o m มดังทรินะมันมีไฟล์นำทำสมาธิอยู่ในนั้นเอาละครับมาเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงของดังทรินวิสาชนานะก็ถามตอบจะถามตอบเกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิแบบที่ทำมาเมื่อครู่ก็ได้หรือว่าใครมีสองใครมีอะไรสงสัยก็ว่ามานะเชิญครับมันมันไม่แน่นห่า เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพอดีครับจะอัดทําคลิปฮัลโหลครับเพ็ญเขาบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราทำอะครับเป็นวิปัสสนาแล้วใช่ไหมครับหรือเป็นสมถะครับมันแล้วแต่จิตนะคือถ้าว่าวิปัสสนาเนี่ยต้องเล็งเงินที่จิตว่ามีอาการรู้หรือเปล่าถ้ามีอาการเตือนถ้ามีอาการรู้นั่นคือจุดเริ่มต้นของวิปัสสนา ทีนี้ถามว่ารู้เนี่ยรู้อะไรถ้าหากว่ารู้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกนะรู้การรู้งานรู้ว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรนั่นเรียกว่าเป็นรู้แบบโลกโลกหรือว่ามีสมาธิแบบโลกโลกแต่ถ้าหากว่าในอาการรู้นะเราเห็นว่าลมหายใจแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตอนแรกๆนะมันจะผสมกับความคิดอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะมันจะมีช่วงที่มันจะสลับกัน ของคุณนะบางช่วงมันมีความรู้สึกํำคาญแต่บางช่วงมันมีความรู้สึกสงบตอนที่ไม่สนใจไอ้สิ่งที่น่าํำคาญเนี่ยมันมีความรู้สึกสงบขึ้นมาแต่ดูลมหายใจมันยังไม่ชัดคือจะรู้สึกถึงลมหายใจรู้สึกถึงความสงบแต่มันไม่รู้สึกถึงความไม่เที่ยงของลมหายใจนั่นเพราะว่าจิตมันยังไม่ถึงความสงบจริงมันสงบแบบสบาย ยังไม่ได้สงบแบบตื่นถ้าสงบแบบตื่นมันจะมีอาการเหมือนกับพร้อมรู้แล้วก็มีความต่อเนื่องมากกว่านี้ลักษณะของสมาธิที่แท้จริงเนี่ยมันจะเห็นเหมือนกับเห็นเป็นภาพชัดเลยนะว่าลมหายใจเนี่ยมันมีอาการเข้ามาเมื่อไรมันมีอาการออกไปเมื่อไรแล้วมันจะรู้สึกตัวความรู้สึกเนี่ยสำคัญคาว่ารู้สึกหมายถึงว่าเราเห็นว่าลมหายใจเนี่ย มันเข้าบ้างออกบ้างมันเป็นคนลชุดกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันแค่รู้สึกว่าเรากำลังหายใจเข้ า, าเรากำลังหายใจออกตัวเรามันยังมีอยู่เป็นจุดเริ่มต้นทบทวนไปแล้วนึกออกใช่ไหมตอนที่เรามีความสงบมันมีความสงบอยู่ก็จริงแต่มีตัวเรารู้สึกว่าเป็นผู้เห็นลมหายใจทีนี้ถ้ามันเป็นวิปัสสนาจริงเนี่ยไอ้ความรู้สึกว่าเป็นเรามันหายไปก่อน นั่นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าลมหายใจสักแต่เป็นธาตุลมเข้ามาแทนที่คือเห็นลมหายใจชัดๆก่อนเป็นเป็นตัวตั้งความรู้สึกไอ้นี่ตัวตั้งความรู้สึกคือคือตัวเราเนี่ยอย่างตอนเนี้ยคือตัวเราตัวเรากําลังฟังนี่ตัวเรากําลังพูดนี้พอเรามาสังเกตให้จิตเนี่ยมันเข้าไปอยู่กับอาการเข้าอาการออกของลมหายใจมากๆเข้า โดยมีการตั้งมุมมองไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นสมาธิฏฐิว่าลมหายใจสักแต่เป็นธานตุลมลมหายใจเข้ามาแล้วออกไปมันคนละชุดกันลมหายใจเนี่ยกำลังแสดงความไม่เที่ยงบางครั้งร่างกายก็ต้องการลมยาวบางครั้งร่างกายก็ต้องการลมแค่สั้นๆรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกแบบหนึ่งว่าที่เราเห็นอยู่ชัดๆเนี่ยที่มันปรากฏเด่นอยู่คือลมหายใจไม่เที่ยง ตัวนี้เป็นตัวตั้งขึ้นมาก่อนถ้าหากว่าฝึกอาณาปานสติเข้าไปถึงตรงนั้นจริงๆนะจิตมันจะเหมือนกับแยกออกมาจากอาการที่เป็นผู้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเป็นตัวเองเนี่ยเป็นลมหายใจคือหลักการนะของธรรมชาติต่างใจเนี่ยถ้าจิตเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่สิ่งนั้นจะครอบงาจิตไม่ได้สิ่งนั้นจะทาให้เกิดอุปทานขึ้นมาไม่ได้ว่าเป็นเรา ยกตัวอย่างอย่างเวลาที่คุณไม่สบายถ้าเกิดความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เคยใช่ไหมพอรู้สึกนอนแบบอยู่กับที่เนี่ยเมื่อไม่ไกลไม่ไกลมาเกิดความรู้สึกว่ามันร่างกายใครก็ไม่รู้มันจำไม่ได้ว่าเป็นตัวเราไอ้ความรู้สึกที่มันเป็นเราแน่ๆมันหายไปเพราะว่าร่างกายที่อยู่ในสภาพบอนแอเนี่ยมันมาผลิตไอ ตัวความรู้สึกขึ้นมาใหม่รู้สึกว่าเนี่ยควบคุมไม่ได้ไอ้เ น, นี่ยเป็นสภาพที่มันอยากจะเป็นยังไงของมันมันก็เป็นไปไม่ไม่ใชอ่อยู่ในภายใต้การบังคับบัญชาของใครอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราดูลมหายใจแสดงความไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้อยู่ในที่สุดจิตมันจะถูกปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ แทนที่จะเกิดความรู้สึกว่านี่เราหายใจอยู่มันกลายเป็นว่านี่เรากำลังเห็นธาตุลมพัดเข้าพัดออกแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตัวนี้แหที่มันเป็นวิปัสสนาเพระงั้นอย่างเวลาที่แบบนั่งมาสักพักนึงแล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีตัวแต่ที่ยังขาดไปมันคืออย่างตอนที่มันเข้าถึงภาวะนั้นแหละเขาเรียกว่าเข้าแบบลุกๆ นึกออกใช่ไห ม, มคือคือนานๆมันจะเกิดภาวะนั้นขึ้นมาทีโดยที่เราไม่รู้ไม่รู้เหนือรู้ใต้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยจิตมันมีอาการแค่เหมือนกับแช่อยู่เฉยเฉยแช่แข็งอยู่เฉยเก็สบายอ่านั่นแหละนะตัวเนี้ยมันเรียกว่าจิตคือมีสมาธิจริงเห็นสักแต่ว่าเมีอะไรปองเข้าปองออกจริงแต่ว่ามันไม่มีความรู้สึก ว่าที่มันเห็นเนี่ยกําลังเป็นอนัตตาแสดงความไม่เที่ยงอยู่มันรู้แต่ว่าเออมีสภาพอะไรอีกอย่างหนึง่งที่แตกต่างไปคือตัวที่มันตัดสินกันจริ ง, รงๆว่าเป็นนิพพานาเนี่ยนะคือตัวที่มันมีความรู้สึกว่าเนี่ยตื่นเต็มอยู่ตื่นเต็มอยู่ในสภาพที่กําลังในอยู่ในท่านั่งอย่างเงี้ยนะแะแยกออกว่านี่คือสภาวะของร่างกายกําลังอยู่ในเอริยาบทนั่ง อย่างตอนนี้มันมันคิดจิตอยู่ในฐานะผู้คิดนี่ถ้าอยู่ในฐานะผู้รู้นะคืออันนี้เขาเรียกว่าเราต้องเห็นภาวะที่กำลังปรากฏเด่นอย่างตอนนี้กำลังคิดทบทวนตามภาวะนี้กำลังปรากฏเด่นเนี่ยเห็นไหมภาวะคิดเนี่ยมันมันเบาบางลงรู้ตึกไหมพอพอเมื่อกี้ที่คุณพยักหน้าว่ากาลังรู้รู้ว่ากำลังคิดอยู่กำลังตั้งใจดูอยู่เนี่ยมันเหมือนเหมือนคลายออกไปนิดนึง ไอ้ภาวะที่ตั้งตั้งอกตั้งใจดูตัวนี้ถ้าเราเห็นเข้าไปชัดๆนะว่าลักษณะความตั้งใจคิดตั้งใจทบทวนตั้งใจฟังตามเนี่ยมันเป็นแค่กลุ่มความคิดที่ปรากฏแล้วเราสามารถที่จะรับประรู้ด้วยสติว่าเออนี่มันเป็นแค่ภาวะปรุงแต่งแล้วภาวะปรุงแต่งนั้นแสดงอาการสลายตัวให้เราดู เหลือแต่จิตที่ว่างๆจิตที่สบายอย่างนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาได้ถ้าจิตมีความตื่นนะถ้าจิตมีความรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงแล้วรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่กําลังแสดงอนัตตากําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตอนเนี้ที่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเข้าใจแต่ว่ามันก็มีอกลุ่มความคิด คล้ายๆกับกลุ่มความคิดที่ทำให้จิตเนี่ยมันโมมั ว, ม ว, มวนิดๆลองลองสังเกตดูนะคือเมื่อกี้ตอนที่เข้าใจเนี่ยจิตมันจะเคลียแล้วถัดจากนั้นแค่อึดใจเดียวมันมีกลุ่มความคิดใหม่ขึ้นมาคือไม่ใช่ความคิดสงสัยนะแต่เป็นความคิดที่มันไม่มีจุดประสงค์เป็นเป็นภาวะที่มันก่อตัวขึ้นมาเฉยๆ ถ้าเราสามารถรู้ภาวะนั้นได้แล้วเห็นภาวะนั้นมันหายไปต่อหน้าต่อ ต, อตานี่เรียกว่าวิปัสสนาคือวิปัสสนาไม่จาเป็นต้องเป็ น, นั่งหลับตาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราสามารถเห็นว่าในขอบเขตกายใจนี้เกิดอะไรขึ้นมีปรากฏการแบบไหนเกิดขึ้นและปรากฏการแบบนั้นมันสลายตัวไปให้ดูอย่างในขณะที่เรามีสติรู้อยู่นี่เรียกว่าวิปัสสนาอันนี้คือภาวะทบทวน คือคือคือวิปัสนาเนี่ยอยู่เราไปกำหนดว่าจงเกิดวิปัสนาเนี่ยไม่ได้มันไม่ใช่มีวิธีเหมือนกับปีนบันไดนะมันต้อง เ, ออเข้าถึงด้วยคุณภาพของจิตอีกแบบหนึง่งของคุณเนี่ยมันเกือบได้มันมันเฉียดเฉียดอยู่กับ วิปัสนาระว่างสมาธิกับวิปัสนานะอย่างตอนที่เรารู้สึกว่ามีอะไรปง่งเข้าปป่งออกเนี่ยตอนนั้นถ้าจิตเต็มเต็มดวงกว่านั้นนะเป็นสมาธิจริงๆคือมีความรู้สึกเต็มเต็มตัวขึ้นมาเราก็รู้ชัดว่าไอเนี่ยที่กำลังเรากาลังเห็นอยู่เนี่ยคือภาวะของรูปของนามที่มันกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่นั่นเรียกว่าวิปัสนาได้แล้วอันนี้แต่จิตเนี่ยมันขาดไปแค่ความตื่นความรู้ ตรงนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าทำได้เป็นปกติแล้วจิตมีความรู้สึกว่าเนี่ยเห็นได้เป็นปกติอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าเข้าขั้นวิปัสสนาจริงแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวสมถะตัวความนิ่งตัวสมาธิที่ก่อให้เกิดการเห็นอีกแบบหนึง่งซึ่งดูมันแตกต่างไปนะ เอาเป็นว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ฟังผมไกายไปเนี่ยนะมันมีความรู้สึกเหมือนกันบางครั้งก็สงบบางครั้งก็รำคาญดูความสงบบ้างดูความรำคาญบ้างสลับมันสลับหน้ากันอย่างนี้นะถ้าดูไปเรื่อยๆ แล้วมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าทั้งความส ง, งบและความลำคาญมันไม่ใช่ตัวเดาแต่มันมันเป็นภาวะที่มาแสดงความไม่เที่ยงให้ดูผลัดกันมาแสดงความไม่เที่ยงให้ดูดูซ้ำไปซ้หมาจนกระทั่งจิตมันเกิดความรู้สึกตื่นมันเกิดความรู้สึกรู้ขึ้นมาก็กลายเป็นวิปัสสนาได้เหมือนกันพูดง่ายๆนะเวลากลับไปดูดูสิ่งที่มันปรากฏเด่น ย่ามโมควานหาไอ้เ น, นี่ยคือคือจิตของคุณยังควานหาว่าวิปัสสนาเป็นยังไงตัวอาการควานหานั่นแหละมันจะไปบล็อกไม่ให้จิตมีอาการตื่นไม่ให้จิตมีอาการรู้มันจะเหมือนกับจิตถูกบกคลุมด้วยความคิดลองนึกดูง่ายๆนะตอนที่มีความคิดอยู่แบบนี้อาการควานหาอยู่แบบนี้เนี่ยมันไม่เกิดอาการโป่งเข้าโป่งออกอย่างที่คุณเคยเห็นนั่นแหะอันนั้นคือตัวอย่างของจิตที่มันนิ่งแล้ว แล้วเริ่มมีความรู้ขึ้นมาบ้างแล้วตรงนั้นมันตัดจากหมดความคิดออกไปนะและเพื่อที่จะให้จิตมีความสามารถเข้าถึงสมาธิได้เนี่ยลองไปทำแบบแบบที่ผมไกลเนี่ยแหละนะแล้วสังเกตเอาว่าภาวะอะไรกำลังปรากฏเต่นอยู่ในลมหายใจนี้และในลมหายใจต่อมาเนี่ยมันมีการแสดงความ ต่างไปของระดับความเข้มข้นแล้วหรื อ, อยังนะถ้าหากว่าความรู้สึกว่าอยากควานหาวิปัสสนานะมันมีความเข้มข้นอยู่ชัดอยู่ในหัวก็ลองสังเกตนะว่าลมหายใจต่อมาเนี่ยไออ อ, อาการความหาเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นหรือว่าอ่อนกําลังลงนะลองสังเกตดูไดยๆเพราะของคุณเนี่ยคือมันจะมีความรู้สึกนะว่า เหมือนบางทีเนี่ยฟังธรรมะหรือว่าอ่านธรรมะเกี่ยวกับการทํำวิปัสสนามันเหมือนจะเข้าใจอยู่แค่เอื้อมแต่รู้สึกว่ามีอะไรกั้นอยู่เอาเป็นว่านะคําพูดของคนเนี่ยอบางทีคนพูดอาจจะเข้าใจถูกก็ได้แต่ว่าสื่อสารอ่แล้วเราไม่เข้าใจหรือบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยก็ได้แล้วก็พูดออกมามันมันเราไม่รู้แต่เราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เรากําลังประจักษ์อยู่ กับตัวเนี่ยนะมันทําให้เราคลายความสงสัยแล้วหรือยังอย่างที่ผ่านมามันไม่คลายความสงสัยของคุณเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกเหมือนว่แค่เอื้อมนะคําว่าวิปัสสนาเนี่ยมันลื้อความว่าปล่อยวางหรือคำ ว, ว่าเป็นอนัตตาไอ้นี่มันไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยมันเหมือนจะเข้าใจอยู่ลาใดแต่ก็เหมือนมีอะไรกั้นอยู่ไม่ให้เข้าใจจริงๆไอ้ที่กั้นอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่ผมชี้เมื่อกี้ ว่าเห็นไหมมันมีอาการควานหาอยู่มันมีอาการอยากรู้อยากเห็นว่าวิปัสสนามันเป็นยังไงจริงๆกันแน่ตัวอาการควานหานั้นถ้าเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นแค่ความคิดมันก็จะบังอยู่อย่างนั้นแหละนี่ประสบการภายในของคุณนะคุณรู้สึกัหมว่ามันเกือบจะขวาได้มีอะไรบังอยู่แต่ถ้ามุมมองของผมก็คือเนี่ยมันมีอาการควานหามันเหมือนเส้นผมบางมูเขา นี่อย่างตอนเนี้ยพอพูดถึงอาการขวานแล้วคุณเห็นเข้าไปเนี่ยนะมันลดกําลังลงเห็นไหมคือมันมีอาการที่อ่อนกําลังไอความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันน้อยลงแต่มันยังอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในภาวะที่อ่อนพอที่เราจะรู้สึกถึงมันได้ว่ามันเป็นแค่คลื่นรบกวนมันเหมือนกําแพงบทบงังอะไรอยู่บางๆทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยบางที มันยิ่งก่อตัวหนาแน่นขึ้นเพราะามันจะมีไอ้คลืนวกวนนี้ไปเรื่อยๆไม่ไม่รู้จบแต่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะทำอนาปานัณสติแล้วเอาลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตว่าครั้งนี้มันมีอาการควานมากหรืออาการควานน้อยครั้งต่อมาลมหายใจต่อมาเนี่ยมันมันยังอยู่มันยังอยู่แค่ไหนแหนะอ่อนกำลังลงหรือว่าเพิ่มกำลังขึ้นมาดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ในที่สุดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไอ้ที่มันกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่คือความคิดความฟุ้งซ่านเนี่ยที่แท้แล้วมันเป็นแค่คลื่นรบกวนเป็นแค่ภาวะอะไรอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาในใจมันแสดงความไม่เที่ยงได้เหมือนกันจิตมันก็มีความสามารถที่จะตื่นรู้ว่าไอ้นี้ไม่เที่ยงไอ้นี่เป็นอนันาตาได้เช่นกันเข้าใจนะพี่เอามาจอก ใกล้ปากนิดหนึง่งคื อ, ค, อคือให้ให้มันเอียงมุมนี้นะ okay. okay. โอเคโอเคคือเมื่อกี้โดยภาวะของพี่เนี่ยนะที่มันปรากฏเด่นให้จําได้เนี่ยคือความสว่างคือรู้สึกว่ามันว่างมันสว่างแต่สังเกตไหมความสว่างมันอยู่แป๊บหนึง่งแล้วมันก็ค่อยๆเรียบลงมันมันไม่ได้สว่างจ้ายอยู่ตลอด นั่นก็เป็นการแสดงความไม่เที่ยงของภาวะภายในได้เหมือนกันเสร็จแล้วพอไอความสว่างมันมันเริ่มรี่ลงเนี่ยพี่ไปควานหาความสว่างต่อคือใจเนี่ยมันมันเหมือนกับจะไปเพ่งอยู่กับความสบายมันเลยไม่สบายแล้วไอ้ที่มันเต้นตบๆอยู่เนี่ยมันเกิดมาจากตรงนั้นแหละคือตอนแรกมันสบาย แล้วเสร็จแล้วพอมันหายไปเนี่ยพี่ไม่ได้ดูมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงอืแต่พี่ไปควานหามันต่อจเยามันกลับมาใหม่เป็นอาการทางจิตที่มันดูเหมือนกับเล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้าพี่สามารถสังเกตเห็นจุดนี้ได้ก็จะรู้สึกถึงความไม่เที่ยงแล้วมันจะกลับเข้าตรงทางอันนี่มันพอตรงทางแล้วเสร็จแล้วมันเบี่ยงเบนออกไปอมันมีความอยากขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอตอนที่มันรลีไป เมื่อกี้นักโทษค่ะวิื ก, กี้สักพักหนึ่งรู้สึกมันวูบไปนิดนึงเพราะบังเอิญวันได้ตื่นเช้าไปหน่อยแล้วก็มันมันแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็ก็ยังรู้สึกถึงความโล่งอะนะคะค่ะไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกทางไหมคะคือตรงโล่งเนี่ย<ฆ>มันมันใช้ได้ค่ะ<ฆ>แต่ว่าที่มันจะตรงทางจริงๆเนี่ยคือพี่เห็นความไม่เที่ยงค<ฆ>่ะนะเห็นว่าแม้แต่อาการที่ ความสว่างมันลดกําลังลงเนี่ยมันก็กําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่แต่เมื่อกี้พอที่พี่รู้สึกโล่งก็จริงนะค่ะแต่มันเหมือนกับจะเอาเอ า, เอาคือคื อ, คอมีความคาดหวังจเจ้าภาวะแบบดีๆตอนตั้งตน้นก่อนที่มันจะวูบไปกลับคืนมาใหม่มันมีอาการตรงนี้อยู่พี่ลองทบทวนดูคือคือณเวลาที่เกิดเนี่ยพี่มองไม่เห็น แต่ตอนเนี้ยพอเรามาคุยกันเนี่ยพี่นึกออกใช่ไหมมันมันเหมือนมีอาการพยายามพยายามอยู่นิดนึงคือมันไม่ใช่เริ่มต้นนับหนึ่งเหมือนกับมาดูเท้าดูมือ<ะ>เพื่อที่จะเห็นความจริงเกี่ยวกับร่างกายที่มันกําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น<ะ>ซึ่งพอพี่ทํามาตามลําดับเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันโลง่งแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันกําลังพร้อมที่จะให้จิตเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแต่วันมันโล่งแล้ว มีความสว่างแล้วแล้วมันวูบวูบหายไปกลับมาใหม่เนี่ยลืมแล้วคือคือมันกลายมาเป็นว่าติดใจในความสว่างความโลง่งแล้วก็จะดึงให้มันกลับมาเท่าเดิมคือมันยังโล่งอยู่จริงแต่มีอาการคิดมีอาการตั้งใจซึ่งไม่เป็นธรรมชาติแล้วต่อไปถ้าหากว่าพี่ลองไปทำดูด้วยตัวเองแล้วเห็นอาการคิดอาการอยาก ตรงนี้นะให้มองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความความอยากที่เรียกว่าภาวะตัญหาคือเราอยากได้อยากดีออยากมีอยากเป็นในภาวะความอยากนี้เองมันทำให้เกิดความคิดบีบคั้นแต่เดิมเนี่ยคืออย่างพี่ทำงานพี่ก็จะค่อนข้างจะเครียดนิดหนึง่งมันมันเหมือนกับมันเหมือนบวกบวกไอ้ความ หนักใจหรืออะไรเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคือคือไม่ใช่คิดเรื่องงานอย่างเดียวมันมีความหนักใจผสมเข้าไปด้วยอันี้ก็เหมือนกันเวลาที่มาทำสมาธิมันเหมือนกับพฤติกรรมทางจิตเนี่ยมันกลับมานึกออกมคือเวลาที่เราอยากอะไรแม้แต่นิดเดียวไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแม้แต่นิดเดียวมันมีความรู้สึกหนักใจขึ้นมาไอ้ความรู้สึกหนักใจตรงนี้เนี่ยที่มันทาให เกิดอาการเต้นตุบตุบขึ้นมาจริงๆแล้วเวลาที่พี่ทำงานเนี่ยนะแล้วมีอารมณ์มีความรู้สึกเหมือนกันหนักใจเนี่ยมันก็เต้นตุบตเหมือนกันแต่เราไม่รู้ไม่ได้สังเกตเพราะว่าจิตมันไม่นิ่งพอ<ฆ>มันไปอยู่กับอาการปุงปั้นเกี่ยวกับเรื่องการงาน<ฆ>หรือว่าคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องบุคคล<ฆ>ของพี่เนี่ยมันจะมีอาการอะไรพวกนี้วนเวียนเวลาทางานเนี่ย มับนวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้ยว่าหนักใจคาดหวังแล้วก็ได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้าง<ะ>พอทํางานเนี่ยบางทีเนี่ยพี่จะมีความรึกเหมือนกับกลับบ้านเนี่ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนกัน <c oughs> มันหนักหนัก <c oughs> อึง้งอึ้ง <c oughs> นี่พอมาทําสมาธิมันรู้สึกโปรง่งร<ะ>ู้สึกเบาแล้วก็ติดใจ<ะ>เพราะมันแปลกใหม่มันไม่เหมือนเดิมอื<ะ>นี่พออย่างเมื่อกี้เกิดอาการวูบไปแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่ ก่อนอื่นพี่นึกแล้วเออเราเราจะอยู่กับความโลง่งซึ่งมันก็โล่งได้แต่มันไม่สว่างมันไม่เท่าเดิ ม, มล้วก็เกิดความอยากเนีเ่ยมันแพอพอาจารย์พูดปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็โล่งได้เร็วเลยนั่นแหละคือมันแล้วแต่ว่าจิตของเราเนี่ยตั้งมุมมองอยู่แบบไหนบางทีพูดเนี่ยมันเหมือนกับง่ายๆเอ๊ะมันน่าจะเข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอหลับตาไปปุ๊บมันเหมือนหลงป่าแหละทุกคนเนี่ย พอหลับตาปุ๊บเนี่ยมันเอ๊ะเริ่มนับหนึ่งกันยังไงมันงงไปหมดเพราะว่าความพุ้งซ่าเนี่ยไม่ใช่ของง่าย ท, <ะ>ที่จะไปเห็นมันนะนี่ก็เลยบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมานั่งฟังกันว่าหนึ่งสองสามเริ่มต้นยังไงฟังเสียงไกลไปนะถ้าพี่แค่เห็นว่าอาการอยากมันตั้งต้นขึ้นที่ตรงไหนแล้วรู้สึกได้ว่ามันแน่นๆ่นขึ้นมา แค่ยอมรับตามจริงอารมณ์หายใจนี้นะลมหายใจนี้มันมีความอึดหนักอยู่มันมีความรู้สึกหนักอกอยู่ลมหายใจต่อมาเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเบามันเบาลงพอดูว่ามันมีอะไรหนักๆอยู่ด้วยอาการยอมรับตามจริงว่านี่กำลังหนักอยู่ในลมหายใจนี้ลมหายใจต่อมาเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาว่าไอความหนักตรงนั้นมันมันแปลสภาพไปแล้วมันเปลี่ยนระดับไป เนี่ยล้วพี่เห็นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะมันจะมีผลเวลาที่เราทำงานเวลาที่ที่เราคาดหวังเกี่ยวกับคนอื่นด้วยมันจะมันจะไวะมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเอ้ยมันหนักพอพอเกิดความหนักขึ้นมาคือไม่ใช่ไปเอาชนะความหนักไปเห็นและยอมรับความหนักนั้นอันนี้มันกำลังมีความเข้มข้นอยู่แค่นี้หนักอยู่แค่นี้ลมหายใจต่อมามันจะเห็นไปเองว่า มันมันไม่เท่าเดิมนะส่วนใหญ่มันจะเบาลงแต่มีความเป็นไปได้ที่มันจะหนักขึ้นมันจะอึดอัดมากขึ้นแต่ไม่ว่ามันจะอึดอัดมากขึ้นหรือว่ามีความโปร่งสบายนะในที่สุดเราได้เห็นความไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละในอาการที่เราเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆจะทําให้ไอความไม่เที่ยงนั้นเนะ่มันมาเกาะ อ, อุปทานขึ้นมาในใจเราไม่ได้มันจะไม่รู้สึกว่าเนี่ย ไอ้ความหมึนอัดนี้หรือความโปร่งเบานี้เป็นตัวเราแม้แต่ความสว่างแม้แต่ความโล่งพอมันเกิดขึ้นที่จะไม่ติดใจแต่จะรู้สึกว่ามันโล่งแป๊บหนึ่งมันสว่างแป๊บหนึ่งไม่เห็นจะมีอะไรเราแค่รู้มันเฉยๆนะจะไม่มีอาการอยากแบบเมื่อกี้อีกนะครับกระถูกทางแล้วใช่ไหมคะถ้าถ้าพี่เห็นถ้าพี่เห็นนะถ้าถ้าถ้าไปเห็นนะว่ามันมีอาการอยากขึ้นมาเมื่อไหร่อย่างเนี้ย แลยตุกๆเนี่ยไม่ต้องไปแก้อะไรเลยตุบๆจะไม่เกิดถ้าหากว่าพี่ไม่มีอาการอยากาว่แต่ถ้าหากว่ามีอาการตุบๆขึ้นมานะจะด้วยลักษณะความเคยชินทางจิตหรือความเคยชินทางกายอะไรก็แล้วแต่นะพี่แค่ดูว่าเออมันตุบๆในลมหายใจนี้แค่นี้นะมันเต้นตุบๆๆแล้วลมหายใจต่อมาเนี่ยเออมันมันถี่ขึ้นมันมากขึ้นหนักขึ้นหรือว่ามันเบาลง เราดูอยู่แค่นี้ไม่ต่างจากที่เราเห็นอาการทางใจปรากฏการทางใจอื่นๆนะอาจารย์ถ้าบางครั้งเนี่ยไอต้ตุกๆเนี่ยก็ไปที่หนังตาก็อันน้เป็นเพราะว่าพี่สั่งสมความความเครียดในการทำงานมาเยอะจะเหมือนอกับชีพจรอะไรเงี้ยคือตรงนี้มันเป็นภาวะทางศรีระนะแต่มันช่วยได้ถ้าหากว่าจิตของเรา หลักแต่เห็นว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยแล้วจิตอยู่ในสภาพที่มันปล่อยวางนะจากอาการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีคุณภาพมีความสว่างมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปช่วยปรุงแต่งให้สภาวะทางกายเนี่ยมันดีขึ้นด้วย อ, อถ้าอธิบายตามหลักก็คือว่ามีสารเอนโนฟินหลั่งออกมาเยอะขึ้นนะแล้วก็ทาให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันผ่อนคลายมากขึ้นเอ น, นฟินกับความผ่อนคลายเนี่ยมันมัน มีผลกันโดยตรงนะ mm hmm. อ, ยงอย่างตอนเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้พี่ลองดูสิมันไม่มีอาการเต้นมันไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกติทางกาย mm hmm. นะก็เพราะว่าความสุขเนี่ยมันปรุงแต่งให้กล้ามเนื้อมันมีอาการผ่อนคลายนะไปทั่วตัวนะครับ mm hmm. ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับปกติใช้รู้สึกตวในชีวิตประจำวันครับ น, นี้ไม่รู้ว่า ทำถูกทางชี้แนะใช้ได้นะก็เวลาที่รู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยภาวะมันก็จะเหมือนกับมีภาวะอย่างสมมติความฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยมันมัวมัวมาแล้วก็ค่อยๆใส่อะไรเงี้ยที่เคยเห็นเงี้ยนะแต่ว่ามันจะเห็นไม่ค่อยชัดสมัยก่อนครับชิญเชิญสมัยก่อนนี่รู้สึกว่าตอนที่รู้สึกตัวเนี่ยกำลังจะดีกว่าตอนนี้ครับอ่าก็ไม่เชิง คือมันขึ้นอยู่กัจะมองมุมไหนอย่างแต่ก่อนเนี่ยที่รู้รู้ชัดเนี่ยมันรู้ชัดแบบจงใจตั้งใจแหนะแล้วก็มีความสึกคือถ้าสังเกตเป็นจิตนะแต่ก่อนจิตมันจะแคบกว่านี้คือคือมันมีสติจริงแต่มันไม่ไม่โปร่งไม่เบิกบานแต่ตอนเนี้ยมันโป่งมันมันนุ่งนวลมันเบิกบานแต่ว่าไม่ชัดนี่ทํำยังไงโจยก็คือว่า จะให้มันบาลานกันระหว่างความชัดแบบแต่ก่อนไกลความนุ่มนวลเหมือนในตอนนี้ก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยแหละแต่เมื่อกี้ตอนที่ฟังผมไกด์ไปเนี่ยคือมันมันมันดูภาวะมันดูภาวะมากกว่าดูลมหายใจคือไม่ได้ดูลมหายใจเป็นตัวตั้งตรงนี้ที่ผมจะให้สังเกตถ้าเรามีความเคยชินที่จะดูภาวะ อย่างนี้ก่อนคุณจะเห็นเหมือนกับว่าเออเนี่ยมันมีท่านั่งอยู่ที่เมื่อกี้เนี่ยใช้ได้ก็คือว่ารู้สึกว่ามีท่านั่งอยู่นะคือคือคุณจะเห็นช่วงนี้แล้วแต่แล้วมันจะเหมือนกับมีม่านหมอกนะผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปเนี่ยมันเหมือนจะเห็นได้เรื่อยๆแต่สังเกตเนี่ยมันเห็นได้ไม่นานเห็นมันจะมีช่วงช่วงที่ตื่นขึ้นมารูแล้วก็ ค่อยๆเรือนแล้วก็ตื่นขึ้นมารู้ใหม่อีกช่วงหนึ่งแล้วก็เลือนใหม่นี่เป็นเพราะว่าไม่ได้ฝึกอาณาปานสติแบบที่พระพรุทธเจ้าสอนถ้าฝึกอาณาปานสติแบบที่พระพรุทธเจ้าสอนนะเราขึ้นต้นมาเนี่ยสนใจลมหายใจก่อนดูว่ามันเข้าดูว่ามันออกดูว่ามันเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นเนี่ยแต่แต่จิตเมื่อกี้ของคุณมันไม่ใช่ไง มันมันขึ้นขึ้นต้นมามันมันมีการรับรู้ตามที่ผมพูดสองสามลมหายใจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเอาตามความเคยชินเดิมมามาดูภาวะผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปเนี่ยนะที่เกิดขึ้นลองลองไปลองไปดูใหม่นะอยากแนะนำว่า นอกจากดูลมหายใจตอนหลับตาอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าวิ่งได้จะดีเพราะจิตของคุณเนี่ยตื่นไม่ยากหมายถึงว่าตื่นตื่นขึ้นมารู้นะตื่นขึ้นมารู้ไอ้สภาวะที่มันกำลังเป็นปัจจุบันจริงๆแต่ต้องหาอะไรที่มันเป็นเครื่องกระทบให้มันรับรู้ทีีทหน่อยมันจะช่วยได้อย่างอ่อ ว่าวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าวิ่งบนสายผ่านแล้วเรารู้เท้ากระทบอย่างเดียวมันจะรู้สึกขึ้นมาว่าเออเอ อ, เ อ, อจากเดิมที่มันรู้เป็นช่วงๆเนี่ยมันจะรู้ถี่ขึ้นช่วงวันสองวันแรกอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่ามันก็จะเกิดผลหรือว่าจะ เ, เกิดพัฒนาการอะไรขึ้นมาทันใจนะแต่มันจะค่อยๆเห็นไปเอง หลังจากที่เราลองวิ่งแล้วรู้เท้ากระทบอย่างเดียวพอจิตมันแวบไปทางอื่นก็หันกลับมาใส่ใจเท้ากระทบใหม่ัจะมีความรู้สึกไหมว่าจิตเนี่ยมีความเปิดมีความสบายในขณะเดียวกันก็มีความคมใสอันนี้มันมันเหมือนกับเปิดเหมือนมีสติเหมือนรู้แต่ว่ามันไม่มีความคมใสมันเหมือนมีอะไรมัวๆเป็นมั่นหมอกที่ เห็นนะว่ามีอนัตตาเกิดขึ้นผ่านมาแล้วผ่านไปแต่มันไม่ได้เห็นตลอดตอนตอนที่เห็นนี่คือมันมันสมัยก่อนมันจะชัดแล้วก็ช่วงระยะเวลาจะนานครับว่าจะหลังๆนี้รู้สึกว่าพอพอรู้ปุ๊บถ้าฝึกอน า, นาปานัตสตินะอย่างที่ผมไกลนะนับประกันว่ามันจะมาบาลานพอดีคือมีความนุ่มนวลด้วยในขนาดเดียวกัน อ, อ, อันนี้อันนี้ก็ใช้ได้นะ คืออันเนี้ยถ้าวิ่งจงกรมด้วยนะแล้วทําอาณาปานสติด้วยนะให้ไม่เกินสามวันจะรู้สึกแตกต่างไปคือมันจะมีความนุ่มนวลโปร่งว่างในขณะเดียวกันนะคือจะยังคงเห็นสภาวะภายในได้อยู่ว่ามีความพุ่งซ่านมีภาวะความพุ่งซ่านผ่านมาและผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปมันจะเหมือนกับเราเคลียร์ม่านหมอกอะไรออกไปชั้นหนึ่ง นะผมจะมีปัญหาตอนที่ถ้าสมมติว่านั่งหลับตาแล้วดูลมเนี่ยผมจะหลับทุกทีครับอาจารย์เรียนถึงถึงได้ถึงไดให้วิ่งนิดหนึ่งคือเริ่มต้นจากการวิ่งวิ่งเท้ากระทบเนะี่ยจะวิ่งจ็อกกิ้งกได้หรือว่าวิ่งสาย่านก็ได้นะแล้วค่อยมาทำอาณาปานสติจะรู้สึกว่ามันตื่นขึ้นนะที่ผ่านมามันจมอยู่กับอารมณ์สบายมากเกินไปคือคือพอเห็นพอจับจุดได้อะ่ะ ว่าเอแค่มีอะไรผ่านมาผ่านไปรู้สึกว่ามันเป็นสภาวะจริงๆไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยแล้วเราติดใจพอติดใจเนี่ยมันดูอย่างอย่างนี้ตลอดเลยมันก็กลายเป็นอารมณ์สบายไปคือมันไม่ใช่วิปัสนาแล้วอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าจิตมันต้องตื่นนิดหนึง่งคือเห็นอะไรผ่านมาผ่านไปเนี่ยยังไม่พอเนะยสภาพของจิตคุณภาพของจิตต้องมีอาการตื่นรู้ด้วยอันนี้คือเห็นจริงแต่เห็นด้วยอารมณ์สบาย มันกลายเป็นความติดใจไปโดยไม่รู้ตัววัดได้จากอาการที่มันไม่ยอมขยับไปทางอื่นมันจะพอใจรู้อย่างนี้อย่างเดียววันหนึ่งนี้ถ้าจ็อกกิ้งนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ไม่นานห้านาทีก็พอจะเห็นผลเลยคือรู้เท้ากระทบอย่างเดียวนะมานั่งอานาปานสติอีกสักตินาทีแล้วกลับไปดูอารมณ์แบบที่เคยชินใหม่มันจะใสขึ้นมาทันทีถ้าถ้า ใช้วิธีเดินได้ไหมครับอาจารย์ครับเดินของคุณมันมันเข้ากับอารมณ์สบายคือตอนนี้เข้าใจไหมว่าจุดพอ้อยของคุณเนี่ยนะโจทย์อยู่ที่ว่ามันติดอารมณ์สบายอยู่ทำยังไงให้มันออกจากอารมณ์สบายไอ้ม่านหมอกไอ้อะไรที่มันขุนๆมันก็จะหายไปด้วยมันเป็นคือข้างในเนี่ยนะทั้งภาวะของกายก็ดีหรือภาวะของใจก็ดีมันสั่งสมอารมณ์เครียดมาเยอะ ตอนนี้มันค่อยๆ ค, คลายออกพ อ, อคนที่สะสมอารมณ์หนักๆอะไรมาแล้วมานั่งสมาธิหรือมันปฏิบัติเนี่ยมักจะอย่างนั้นแหละคือพอพอนั่งมันจะนั่งด้วยอาการที่ว่าเราคุมภาวะโดยไม่รู้ตัวนะตอนนี้พอมันเคลียดน้อยลงพี่เลยรู้สึกว่ามันห่างไปไงนะสวัสดีครับพันจัอวันนี้ผมก็ใช้วิธีเจริญสติปัฏฐานนะครับก็มีดูกายในกายบ้าง ดูจิตในจิตบ้างในชีวิตประจําวันแล้วก็บางทีก็จะเห็นว่ามันแน่นๆ่นถ้ามันแน่นๆ่นเนี่ยก็ก็จะเตือนตัวเองว่าเออมันผิดทางแล้อาจจะเพ่งเกินไปนะครับแล้วก็ผ่อนร<อ><ห>่<อ>างต่อตรงนี้ก่อนนะ<ๆ>ต่อไปถ้าเห็นว่าแน่นๆ่นอย่าบอกตัวเองว่าผิดทางเพราะมันจะทําให้พลาดภาวะที่กําลังปรากฏเด่นไปต่อไปถ้าเกิดอาการแน่นๆ่นขึ้นมาบอกตัวเองว่าเนี่ยยอมรับมันมีอาการแน่นๆหน้าตาอย่างนี้อยู่ที่ลมหายใจนี้ นะแล้วลมหายใจต่อมาลองสังเกตดูถ้ามันยังแน่นเท่าเดิมยอมรับยอมรับท่าเดียวฝึกที่จะยอมรับเพรา ะ, ระที่ผ่านมาของคุณเนี่ยนะจิตมันแค่ว่าอยู่ติดอยู่ในอาการไม่ยอมรับมากไปนี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการปฏิบัตินะเรื่องโลงๆด้วยสังเกตตัวเองใจมันจะไม่ค่อยยอมรับ<ม>อะไรง่ายๆ ม, มันมีอาการเหมือนต่อต้านความจริง อยากให้ความจริงมันดีขึ้นบางทีเราลงไปพยายามทำอะไรให้มันดีขึ้นแต่สังเกตนะทั้งๆ ท, ท, ที่ตั้งใจดีนะมันปนอารมณ์โทสะเข้าไปด้วยของคุณมันโทสะจริตครับดูดูอย่างเงี้ยมันเหมือนคนใจเย็นมันเหมือนคนใจดีนะคนอื่นเขามองเข้ามาเนี่ยแต่จริงๆคุณจะรู้ว่าข้างใ น, นมันยังมีความหุนหานอยู่จากความไม่ได้อย่างใจ ้องสังเกตถึงอาการงุนง่านหรืออาการไม่ได้อย่างใจทุกครั้งที่มีอาการต่อต้านมีอาการฝืนหน้าตามันจะหน้าตาของจิตนะมันจะเหมือนมีอาการดิ้นดิ้นอยู่มีอาการที่เกร็งเงมีอาการทึบทึบอยู่นี่พอพูดขึ้นมาเห็นหั้นที่มันคลายออกไปเนี่ยเพราะว่าพอทบทวนขึ้นมาแล้วมันนึกออกไงว่าหน้าตาเป็นยังไงฉะนั้นถ้าหากว่าณจุดเกิดเหตุมันเกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาอีก แล้วเราเห็นด้วยอาการอย่างนี้แหละด้วยอาการยอมรับด้วยาการรู้สึกแค่ว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วเรายอมรับมันก็คลายออกประเด็นคือเมื่อคลายออกจิตของคุณมีความพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วเนี่ยคือความเข้าใจในแง่ของความเข้าใจมันเข้าใจหมดแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ที่มันรู้สึกว่าภาวะอะไรบางอย่างที่มันหายไปมันไม่ใช่ตัวเรา นั่นเป็นเพราะว่าไปบวกกับสัมมาทิฏฐิที่ตั้งที่ตั้งเราไว้ก่อนที่ผ่านมามันแค่ว่าพอเกิดอาการอึดอัดพอเกิดอาการที่มันคับคับคล้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ยอมรับคือไปบอกตัวเองทุกครั้งว่ามันผิดทางไออาการบอกว่ามันผิดทางเนี่ยตัวนี้แหละที่มันคือฟ้องว่าไม่ยอมรับความจริงจาไว้เป็นคีย์เวิร์ดว่าเมื่อไหร่ที่ไม่ยอมรับความจริงที่กําลังปรากฏอยู่ตรงหน้าเมื่อนั้น สติไม่เกิดมีแต่ความอยากไม่ภาวะตัณหาก็วิภาวะตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างไอ้นี่คือวิภาวะตัณหาไม่อยากให้มันเกิดตัวตัวบอกตัวเองซ้ำๆว่ามันมาผิดทางนั่นแหละตัวนั้นแหละวิภาวะตัณหานะเนี่ยต่อไปคำว่าผิดทางไม่มีนะมีแต่ว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับภาวะที่กำลังปรากฏตามจริงแล้วก็อย่างนี้ อ, อย่างผมนี่คณ ถ้าเกิดว่ามีจริตอย่างนี้ควร จ, จะเจริญด้วยการดูกายหรือว่าดูจิตดีครับพื้นฐานของคุณใช้ได้นะคือคือระหว่างบันดูจิตไปเพราะมันจะเห็นขึ้นมาบ่อยๆอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์ขัดเคืองยิ่งเห็นบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ายิ่งเห็นบ่อยเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการที่เราได้ซักทอมจเจริญสติมากขึ้นเท่านั้นนะแต่ถ้ากลับมาบ้า น, นก็ควรจะ มานั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างไม่ต้องมากหรอกนะถ้าวันไหนไม่เหนื่อยเนี่ยก็เดินสักสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมองอะไรอย่างเงี้ยเอาคุณภาพเป็นหลักอย่าเอาเวลาเป็นหลักไม่นิฐานดีอยู่แล้วมันผิดทางแค่นี้นิดมันออมองผิดแค่นิดนิดหน่อยน่อยนะคือคือลักษณะของการที่เรายังติดอยู่เนี่ยมันติดอยู่แค่การไม่ยอมรับเพราะมันมัน เข้ากันนิสัยเดิมครับนะขอบคุณครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะแล้วหนูละ่ะคะควรจะคือตอนนี้คือตัดสินใจว่าต้นปีหน้าจะออกมาปฏิบัติอย่างจริงจังสักช่วงหนึ่งนะคะดีอนุโทน์นะครับคุณค่ะจิตมันสว่างนะเดี๋ยวว่าเราเนื่องจากว่าเดิมอ่ะเป็นคน คติเยอะนะเข้าใจเข้าใจตัวเองอยู่แล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนกันมองมองอะไรเนี่ยคืออย่างทุกวันเนี้ยจิตมันเป็นสาว่างเป็นกุศลจริงแต่มันยังมีพฤติกรรมทางจิตแบบเดิมๆที่เราพยายามล้าง ม, มันอยู่นะก็คือมองมองอะไรในแง่ลบมองอะไรในแง่แบบเพ่งโทษบางทีมันไม่รู้ตัวตัวเนี้ย ต่อไปถ้ามันมีอาการคิดไม่ดีขึ้นมาจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บาอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอย่าไปทรมานใจกับมันแต่ว่าให้ยอมรับว่านี่มันเกิดขึ้นในไทมันมาแล้วเอามันมาดูเอามันมารู้ว่ามันเป็นอนัตตาไอ้นี่คือบางทีเนี่ยไปสู้กับมันตรงๆไ่ปื้นใจบอกอย่าคิด ซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยพอมันผ่านมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นก้อนอกุศลชัวร์อยู่แล้วแล้วเราพอเกิดความทรมานใจแล้วไปห้ามมันอีกกลายเป็นความขัดแยง้งกลายเป็นความอึดอัดมันก็หาความเป็นจิตจิตกุศลไม่ได้กุศลจิตไม่ได้แต่อย่างนี้เห็นไหมจิตมันเป็นกุศลเห็นไหมจิตมันสบายรู้สึกไหมว่ามันสว่างเพราะเรายอมรับว่ามันมีภาวะอะไรบางอย่างที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นนะ แต่แล้วคืออันนี้พูดถึงอดีตสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นเป็นความคิดไม่ดีอะไรทั้งหลายแหล่เนื่อพราะเรายอมรับว่าเออมันเกิดขึ้นในหัวจริงๆแล้วเห็นมันเป็นแค่สาภาวะของอนัตตาที่ผ่านมาจรมาโดยที่เราไม่ได้เชือ้อเชิญเห็นไหมความรู้สึกมันไม่เห็นเกี่ยวกับเราเราจะรู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่สมบัติของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นคนผลิตมันขึ้นมา uh คือบางครั้งยอมรับได้จะรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่บางทีก็มันทําใจยากนิดหนึ่งตรงที่บางทีรู้สึกว่าเอ้ความคิดอย่างนี้ตอนนี้มันไม่เหมาะสมก็เลยจะแบบรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาในใจทันทีต่อไปเนี่ยพอมีความรู้สึกหนุดหงิดก็ตามหรือว่าเกิดความรู้สึกเอ้ยนี่มันไม่ใช่ภาวะที่น่าจะเกิดขึ้นในเราเลยนี่เนี่ยให้ให้มองความรู้สึกทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นนั่นแหละมันจะรู้สึกไม่ชอบมันจะรู้สึกแย่ มันจะรู้สึกเหมือนมืดๆ ม, มนๆอยู่ข้างในนะพอเรายอมรับวันนี้ภาวะทั้งหมดมันกําลังเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะคลายออกอย่างตอนเนี้ยมันเกิดความสุกว่าไม่เห็นเกี่ยวกับเราไม่ใช่เรามันมันพร้อมที่จะรู้สึกว่าภาวะอนัตตาที่มันจรเข้ามาเป็นอกุศลเป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราโดยภาวะตอนนี้นะแต่ภาวะที่อยู่ข้างนอกเนี่ย บางทีรู้สึกโอ้ทนไม่ได้มันมันไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะยอมรับเลยว่าแบบนี้ก็เกิดขึ้นในหัวเราได้ด้วยอย่างเงี้ยตัวนั้นแหละที่จะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงอกุศลทำไว้เป็นตัวที่มันทำให้รู้สึกว่าเนี่ยเราคิดอย่างนี้จริงๆทั้งๆที่ไม่ใจจริงเไม่ได้ตั้งใจคิดนะมันเป็นแค่อดีตสัญญาทุกคนเนี่ยเคยพูดไม่ดีคิดไม่ดีกันมาทั้งนั้นแหละ และตรงนั้นมันก็ยังเป็นอกุศลธรรมเหมือนเงาตามตัวนะที่จะมาเล่นงานให้เราเกิดความรู้สึกว้าวุ่นใจเกิดความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะนี่เรียกว่าเป็นกองกรรมกองเวียนแบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะเหมือน บ, บาปเนี่ยมันมันตามตัวเรามาแต่ว่าบาปนั้นก็ใช้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการเจริญสติได้เช่นกันขอแค่เรายอมรับว่าเออเนี่ย เงามืดนั่นเนี่มันยังตามตัวเราอยู่แต่แทนที่จะไปมองมันเป็นศัตรูมองเป็นสิ่งน่ารังเกียจหรือว่าน่าขยะแขยงว่าเอ้ยมันไม่ไม่อยากให้มันมาอยู่กับเราไม่อยากให้เกิดขึ้นในเราเลยเนี่ยมองไปว่ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆกล้ายอมรับแะอาการกล้ายอมรับนั่นเนี่มันจะทําให้เกิดการเห็นมืดแค่ไหนก็ตามรู้สึกยุ่งเหยิงแค่ไหนก็ตามรู้สึกว่าวุ่นแค่ไหนก็ตาม พอมีอาการยอมรับแล้วสติมันจะเกิดขึ้นรู้ว่านี่ภาวะแบบนี้กําลังเกิดขึ้นจริงๆอยู่ณในลมหายใจต่อมาถ้าเรายังมีอาการยอมรับอยู่มีอาการดูอยู่มันก็จะเห็นว่าสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันต่างไปเมื่อเห็นอยู่เรื่อยเรื่อยว่าเออมันเข้ามาทีไรก็ต่างไปให้เห็นเมื่อนั้นมันจะเกิดความชอบใจซะอีกว่าเราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างแสดงความไม่เที่ยงอยู่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นจริงๆ แล้วปกติเวลาตอนที่นั่งทำสมาธิหรือว่าวิปัสสนาก็แล้วแต่ก็คื อ, อจะคิดอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวนี้คือเมื่อก่อนก็คือพยายามพยายามที่จะหยุดคิดแต่เดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะว่าโอเคเราคิดนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนที่นั่งสมาธิอยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันมันมีช่วงที่เราเห็นลมหายใจยาว แลเกิดความรู้สึกปลอดโปรง่งสบายนึกออกใช่ไหมอ่าไอ้ภาวะตรงนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการที่เราทําในสิ่งที่มันแตกต่างจากความเคยชินเดิมๆนะความเคยชินเดิมๆของเราเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะพยายามที่จะระ ง, งับความคิดระ ง, งับความปรุงแต่งแต่เริ่มต้นขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยมาดูเท้าดูมือขึ้นมาเนี่ยนะแล้วค่อยๆเห็นตามลําดับ ว่าความจริงเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วค่อยๆ ค, ค, คลายออกนะไม่มีอาการเร่งร้อนไม่มีอาการรีบมาด่วนว่าจะเอาให้ได้ซึ่งมันแตกต่างจากของเดิมนะ ต, ตอนที่รู้สึกถึงลมหายใจยาวเนี่ยมันรู้สึกระบายมากนึกออกใช่ไหมมันมีอยู่ช่วงช่วงช่วงสั้นๆตรง น, นี้บอกตัวเองว่าถ้าอยากจะเข้าถึงภาวะนั้นอีกเรื่อยๆ ให้ใจเย็นแล้วก็ไล่ขึ้นมาตามลำดับแบบที่ผมไกด์เนี่ยนะมันมันจะได้แล้วก็ถ้าปฏิบัติให้เคยชินทุกครั้งเนี่ยไม่นานมันจะถึงสมาธิได้เพราะว่าเมื่อกี้เป็นนิมิตหมายที่ดีตอนที่เรารู้สึกถึงลมหายใจยาวได้เองนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่สม่าเสมอถ้าสม่าเสมอมันจะเกิดภาพตางใจขึ้นมาเหมือนกับเห็นเป็นลมชัดเลยนะแล้วก็ รู้สึกว่าไอ้เยนิโบทนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ฐานรองรับลมหายใจเป็นแค่โปรงให้จิตคลองนอะแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเป็นวิปัสสนาได้ไม่ยากขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปกติใช้ลมหายใจนะคะเข้าออกทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีทุกขเวทนาเยอะมากก็เอาตัวไม่รอด แต่ก็มีรู้สึกตัวบ้างค่ะทันบ้างไม่ทันบ้างอรา น, นี้เลยเหมือนกับคนภาวนาไม่เป็นของคุณก็ผ่านภาวะทางอารมณ์มาหลากหลายนะมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกุศลทั้งอกุศลอะไรเนี่ยนะแล้วบางทีเรามีความฮึดรู้สึกฮึดตู้ขึ้นมาหลายครั้งแล้วมันก็รู้สึกเหมือนจะจมลงไปมันสวิงคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย มันเริ่มต้นขึ้นมาจากจิตนั่นแหละเริ่มต้นขึ้นมาจากวิธีคิดบางทีเราก็คิดนู้นเลยแบบสวรรค์เลยนะแต่บางครั้งมันก็ตรงกันข้ามนี้ตรงที่เราจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยอย่าคาดหวังเพรที่ผ่านมาเนี่ยบางทีพอจิตมันจมอยู่กับความเศร้า มันมีอาการยังมีอาการเรียกร้องมันยังมีอาการน้อยใจมันยังมีนู่นนี่นั่นอยู่นะแต่ตอนฮึดสู้บางทีมันก็แข็งไปนี้ถ้าเมื่อไหร่มีความเอาดูอย่างนี้นะของคุณเหมาะที่จะดูเวทนาเอาเวทนานุปัสนาเนี่ยเป็นที่ตั้งของการปฏิบัตินั่นคือบางครั้งมันมีความสุขบ้างบางครั้งมันมีความทุกข์บ้างแล้วสุขกับทุกข์เนี่ยมันยังแบ่งแยก สุขทางกายสุขทางใจนะทุกทางกายทุกทางใจอย่างโดยมากเนี่ยบางทีมันจะเกิดทุกข์ทางจัต ท, ทุกข์ทางกายขึ้นมาแต่บางครั้งทั้งๆ ท, ท, ที่ทุกข์ทางกายจากการที่เราฝึกมาเราก็มีความสุขขึ้นมานะความสุขในขณะที่ร่างกายกําลังเป็นทุกข์เนี่ยมีอยู่สองแบบแบบที่อยู่ๆมันแกล้งสุขขึ้นมา เคยรู้สึกไหมว่าเราแกล้งสุขเข้าใจไหมคือไปพยายามปั้นมันขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้เต็มใจที่จะเป็นสุขนึกออกใช่ไหมอ่าการสุขในแบบที่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้แอคทีฟไม่ได้อยากได้อะไรแต่มันมีความรู้สึกปล่อยวางขึ้นมาได้เองอย่างนั้นสุขจริงเข้าใจใช่ไหมอ่าต้อ ง, องสังเกตดู ว, ว่ามันต่างกันยังไง คือแกล้งสุขมันจะมีอาการพยายามสุขขึ้นมาพยายามสร้างความสุขขึ้นมาตอนที่มันรู้สึกปล่อยวางได้เองมีความรู้สึกปลอดโปร่งจริงจริงเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งต้องสังเกตนะเมื่อเห็นอยู่ว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจไม่ว่าทางจิตหรือทางความคิดมันเข้ามาแล้วก็ออกไปไม่แตกต่างจากลมหายใจเออมันจะรู้สึกเนี่ยผ่อนคลาย นั่นขนาของการผ่อนคลายเงี้มันก็คือสุขเวทนาอย่างหนึง่งสุขเวทนาอันเกิดจากการยอมรับตามจริงเนี่ยมันอยู่ได้แป๊บๆ แ, แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมาบีบคั้นทําให้เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกหรือทุกข์ทางกายขึ้นมาอีกนี่เราไม่สนใจว่ามันจะทุกข์แค่ไหนสุขแค่ไหนเราสนใจแค่ว่าเราสามารถยอมรับตามจริงได้โดยไม่ต้องปั้นความสุขขึ้นมาหรือเปล่า ถ้าพยายามที่จะมีความสุขขึ้นมาพยายามปั้นความสุขขึ้นมาให้รู้ทันอาการปรุงแต่งของจิตตัวเองว่าอย่างนี้เราเรียกว่าภาวะตัณหามีความอยากในภาวะมีความอยากที่จะเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้ทั้งทั้งที่มันไม่ได้เป็นอยู่จริงๆพอมองเห็นภาวะตัณหาภาวะตัณหามันจะหายไปให้ดูคือมันจะมีความเข้าใจขึ้นมาแทนภาวะตัณหาที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นอย่างฝุนเปล่าไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาอะไรขึ้นมาเลยความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่เป็นของจริงมันเป็นความสุขอันเกิดจากการปรุงแต่งมันเป็นความสุขอันเกิดจากการพยายามฮึดสู้นี่ฮึดสู้ถามว่าดีหรือไม่ดีดีแต่ว่าต้องฮึดสู้ให้มันตรงแนวทางที่จะทาให้สติจเจริญขึ้นได้ด้วยคือไม่ใช่ฮึดสู้แล้วมันเหมือนกับ ต้องพยายามที่จะเป็นสุขนะพอมีความเข้าใจแล้วก็เอาเวทนานุปัสสนานี่เป็นหลักตั้งในการเจริญสตินะเดี๋ยวมันจะค่อยๆ ค, ค, คือมันจะค่อยๆ ค, คลายจากอาการสู้กับตัวเองอันนี้ที่ผ่านมามันสู้กับตัวเองพ อ, อาการสู้กับตัวเองมันหายไปเราจะรู้สึกว่าเออมันสบายเหมือนจิตเนี่ยผ่อนคลายขยายออก อย่างอย่างอันนี้มันแค่ตัวอย่างนะมันยังไม่ขยายจริงนะแต่มันจะรู้สึกสบายขึ้นมันจะรู้สึกเหมือนว่าจิตมันมนุ่มนวลลงแต่ยังมีอะไรแบบยื้อยือยู่ตรงไอ้ที่ยื้อยือยู่เนี่ยเพราะว่าส่งสมความขัดแย้งมานานระหว่างอาการยอมให้จมกับฮตู้ขึ้นมานี่พอทุกครั้งที่เกิดทุกขเวทนาหรือว่าเกิดทุกขเวทนาอะไรขึ้นมาแล้วเรายอมรับมันหมดตัวนี้แหละที่จะนาไปสู่การ เคลียจากไอจุดที่มันเป็นปมขัดแย้งนะสวัสดีค่ะอาจารย์ <c oughs> คือหนูเพิ่งหัดทำสมาธินั่งสมาธิมาเมื่อไม่ประมาณสักห้าหกเดือนอ่ะนะคะแล้วมีข้อสงสัยระหว่างที่เราเริ่มนั่งทำสมาธิเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์สอนให้มองลมหายใจตั้งแต่เท้ามือ แต่พอมันมาถึงตรงระหว่างคิ้วเนี่ยค่ะมันมืดตืต้อไปหมดเลยอะค่ะหลายคนเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทําคือทํายังไงที่เราจะหลุดเหมือนเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเหมือนจะหลุดหมอกหลุดม่านอันนี้ออกไปสัทีเพราะว่ากว่าเราจะรู้สึกส ง, งบหรือโล่งนี่บางครั้งรู้สึกมันนานมากเลยแต่ก็ไม่ไม่ไปยึดติดก็คือปล่อยแล้วก็ จะทำยังไงที่จะให้มันนิ่งได้อะค่ะอาจารย์ที่ไม่รู้สึกระหว่างคิ้วว่ามันติดเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะ อ, อ, อันนี้ทำเกี่ยวกับการตลาดหรือค้าขายอะไรรึเปล่าใช่ค่ ะ, ะคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแบบคิดมากเรื่องตัวเลขเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนแล้วมันมันเครียดกับการโดนคาดหวังนะ คือตัวเองคาดหวังด้วยแล้วก็ถูกบีบการทำงานของสมองเนี่ยมันจะเหมือนกับคิดแต่ตัวเลขอ่ะนะแล้วมันบีบมันมีอาการบีบนี่อย่างตอนเนี้ยมันคลายเพราะเราไปพูดถึงมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่จริงๆมันยังอยู่นะคือมันยังมีขยะทางอารมณ์ฝังอยู่เยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้แค่ทำความเข้าใจให้เห็นความจริงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันสะสมตัวเลขที่เป็นขยะในหัวไว้เยอะเนี่ยบางทีนะเราจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเลขเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใตอ้อ่ะมันวุ่นๆอยู่ในหัวแล้วก็เอ้ยไม่ได้คิดถึงมันท้าหน่อยแต่มันก็เข้ามารบ ก, กวนบางตัวเลขนี่ไม่อยากจา นะมันเป็นตัวเลขที่เจ็บปวดมากแต่นั่นแหละที่มันฝังแน่นอยู่บางบางบางบางครั้งเนี่ยคือพอเราได้ตัวเลขที่มันน่าพอใจขึ้นมาเนี่ยไม่ว่ากลับกลายเป็นแรงกระตุ้นให้คืออยากได้อย่างนี้อยากรักษายอย่างนี้เรืออยากทำให้มันพุ่งขึ้นไปกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะพอเห็นที่มาที่ไปเป็นภาพของจิต ว่าเป็นเพราะเราไปหมกมุ่นอยู่กับตรงนั้นแล้วมันเกิดอตัวเลขหรือว่าเกิดความเครียดเกี่ยวกับการคาดหวังอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ให้มองว่าเออ่เราสะสมมาเป็นก้อนแค่นี้ม า, มาทําสมาธิเนี่ยเราเพิ่งเริ่มเหมือนกับ อ, อตัวตัวละลายก้อนเครียดเนี่ยมันเป็นแค่หย่อมเล็กๆอยู่เป็นแค่ก้อนเล็กๆอยู่ยังสู้กันไม่ได้ก็อย่าพยายามไปสู้ หรือแม้กระทั่งว่าเอ๊ะพอสํารวจขึ้นมาที่ใบหน้าทําไมมันแทนที่มันจะคลายมันกลับยิ่งแน่นขึ้นมาอีกนั่นเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่เราออกหัวคิดเนี่ยนะมันจะเป็นทุกครั้งที่เราเคยชินอยู่กับการสร้างความเครียดสะสมความเครียดนี่พอเข้าใจทําความเข้าใจตรงนี้ได้นี่มันก็จะไม่รีบร้อนคืออย่างน้อยที่สุด ไม่มีอาการรีบร้อนแบบที่ผ่านมาที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยมันมีแต่อาการรีบร้อนจะเอาให้ได้แล้วก็ถูกบีบมาหรือว่าตัวเองบีบด้วยตัวเองก็แล้วแต่เนี่ยนะพอไม่รีบร้อนแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างสำรวจเท้าสำรวจมือขึ้นมาเนี่ยนะมันมันก็รู้สึกเออเนี่ยเราทาได้ก็พอใจพอมาถึงตรงนี้ยังทำไม่ได้ ก็ไม่แสดงอาการไม่พอใจออกมาเพิ่มความเครียดเข้าไปอีกอเมื่อกี้เนี่ยที่มันเข้ามาแล้วเสร็จแล้วมันเหมือนกับยิ่งเครียดหรือบางทีทำทาแล้วเนี่ยมันรู้สึกทำไงดีไม่ออกไปสักทีเนี่ยตัวเนี้ยมันมีความไม่พอใจเข้ามาบวกตัวอารมณ์ไม่พอพอใจเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันกับ ต, ตัวที่เราคาดหวังแล้วล้มเหลวหรือว่าคาดหวังแล้วเกิดอาการ เ, เกิดอาการเครียดกี่ยวกับตัวเลขมันไม่แตกต่างกันนี้ถ้ามองเห็นอย่างนี้ปุ๊บต่อไปเวลาที่ทำเนี่ยถ้าไม่คลายก็ไม่คลายชั่งมันแล้วก็ดูต่อว่าโดยที่ยังไม่คลายทั้งหมดเนี่ยร่างกายต้องการลมเข้าหรือว่าต้องการที่จะระบายลมออกแล้วก็ค่อยๆสังเกต แต่ละครั้งที่ลมเข้าแต่ละครั้งที่ลมออกนี่ความเครียดตรงนี้ไม่เท่าเดิมมันจะต่างไปเรื่อยๆเหมือนอย่างตอนนี้มันเหมือนคลายเพราะเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดหวังไม่ได้อยากได้แต่มีแต่การทำความเข้าใจเวลาเห็นเข้ามาเนี่ยมันไม่เกิดอะไรที่เป็นไปนในทางบีบพันตัวเองนี่ตัวนี้พอทำความเข้าใจโดยภาพรวมนะต่อไปเวลาที่ทาสมาธิ มันจะมีแต่ดีกับดีดีในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่เครียดอีกเลยตรงกันข้ามมันจะกลับมาเครียดอีกแต่พอกลับมาเครียดแล้วมันมีความเข้าใจที่จะมองคือไม่ใช่มีแต่อาการอยากพุ่งเข้าไปบอกว่าจงหายไปเข้าใจเข้าใจปล่อยนะใช่ค่ ะ, อะขอบคุณค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะอาจารย์ฟังแล้วดูเหมือนว่าหนูน่าจะมีประสบการณ์ในการทําสมาธิน้อยที่สุดในเนี้ยนะคะแต่ว่าหนูก็คือตอนเนี้ยหนูรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยเอ้ยมันมีเนี่ยนีเนี่ยแล้วก็เห็นไหมคนไม่มีความสุขมันหัวเราะไม่ได้หรอกนะฮคือถ้ามันมีความทุกข์อยู่จริงๆเนี่ยมันรีแลกซ์ไม่ได้อย่างเมื่อกี้ตอนทีเ่เรานั่งสมาธิตามที่ผมไกด์ไปเนี่ย มันมันมีบางช่วงที่เหมือนจะคลายแต่คลายออกแป๊บเดียว<า>แล้วก็กลับมาเคร่งใหม่นะเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่เชื่อว่าเราจะสบายได้คือคือมันมันมันมีความทุกข์มันมีความเครียดอะไรมาซะจนกระทั้งว่ามันไม่อยากเชื่อว่าจะสบายขึ้นได้<า>ในทันทีทันใดไอ้นี้พอเห็นความไม่อยากเชื่อของตัวเอง รู้ไหรู้สึกไหมมันเหมือนปลดปล่อยอะไรออกไปชั้นหนึ่งออกไปปลาหนึ่งมันจะเหมือนกับหัวของเราเนี่ยเบาลงเปลาหนึ่งอันนี้คือเรียกว่ายิงตรงจุดของเราเนี่ยโดยธาตุโดยนิสัยมันเป็นคนดือ้อดื้อมากแล้วก็ไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆนะโดยเพราะอย่างยิ่งเมื่อปักใจว่าอะไรเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย ที่ใครจะไปเปลี่ยนความเชื่อทีจะไปยกเขตผลชักแม่น้ําทั้งห้าอะไรมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ค่ะอันนี้เหมือนกันพอเรารู้สึกขึ้นมาโอกาสที่เราจะผ่อนคลายโอกาสที่เราจะรีแล็กเนี่ยมันมันคงยากเพราะอุย้ยมันเรื่องมันสารพัดนะแล้วว่าทั้งหันทั้งเรื่องส่วนตัวรวมทั้งความอยากส่วนตัวคือมันเหมือนกับเรามีเป้าหมายมีอะไรที่ คือชอบชอบตั้งเป้าอะไรที่มันเป็นไปไม่ค่อยจะได้อ่ะมัน <c oughs> มันยากค่ะ <c oughs> แต่ว่าเราเรามีแบบคล้ายๆภาพในใจอยู่ว่าเราต้องทําให้สําเร็จค่ะ <c oughs> เราต้องทําไม่ได้อันี้พอมันมันรู้สึกว่าไปเจอทางตันค่ะ <c oughs> หรือว่าอุ้ยอีกนานค่ะ <c oughs> มันก็เกิดความเครียดค่ะ <c oughs> เห็นไหมตอนนี้มันผ่อนออกไป <c oughs> นี่เรียกว่ายิงตรงจุดนะย <c oughs> ิงตรงสภาวะ คือเหมือนรู้สึกไม่พอใจในสวัสดิ์สภาวะ ท, ที่ตัวเองเป็นอยู่ะคะ่ะแล้วหนูเคยทโทษอาจารย์หนูเคยลองนั่งสมาธิด้วยการดูจิตอะคะ่ะหนูก็จะคิดฟุ้งซ่านไปคือพยายามรู้ว่าตัวเองกําลังคิดอะไรอยู่เสียใจดีใจสงสัยคือข้างในมันแน่นไปหมดมันดูมันดูก็มันเหมือนมีอะไรล้านแปดให้ดูไม่รู้จบะนะมันมันไม่รู้จะหยุดตรงไหนมันเหมือนกับ พอดูแล้วมันก็เสร็จแล้วมันก็ออกมาใหญ่เลยแบบครั่งพรูรู้สึกเหมือนอถ้าดูต่อไปเดี๋ยวเป็นบ้านแน่อะไรเงี้ยเนี่ย<ช>พี่ถึงบอกไงว่าเอาเริ่มต้นแบบที่พระพิจ้าสอ น, นดีที่สุดนะมาดูลมหายใจก่อนนี่อย่างตอนเนี้ยเห็นว่ามันอย่างนี้เขาเรียกเขาสบายแล้ว ค, คือพอเราไปขุดคุยนะเรื่องตั้ง ตั้งสเปกอะไรเนี่ยสูงเกินไปมันต้องรออีกนานต้องเลยมันเห็นเข้ามาในภาวะไงค่ะเห็นเข้ามาในภาวะอะไรที่มันแน่นๆ แ, แล้วพอเห็นปุ๊บด้วยอาการยอมรับเพราะเนี่ยมันมีภาวะอย่างนี้เกาะกลุมจิตใจของเราอยู่มันก็คลายออกให้ดูอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกเห็นด้วยสตินะอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ถูกรู้ด้วยสติอารมณ์ชนิดนั้นมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้ดูเกือบจะทันทีถ้าดูถูกตัวจริงๆนะ นี่อย่างตอนนี้มันแน่นขึ้นมาอีกคือมันเหมือนกับกลับกลับมาตั้งใจมันพอเรามีความตั้งอกตั้งใจปุ๊บดูอาการตั้งอกตั้งใจแบบนี้นะว่าทุกครั้งที่มีอาการตั้งอกตั้งใจที่จะดูเนี่ยมันจะรู้สึกเกรงเกงขึ้นมานี่คือความเคยชินพฤติกรรมทางจิตและพฤติกรรมทางกายที่มันเรียนรู้ ที่จะทำงานที่จะเอาอะไรให้ได้อย่างใจเนี่ยมันเป็นแบบนี้พอเรารู้สึกถึงอาการตึงๆขึ้นมาปุ๊บยอมรับตามจริงก่อนหายใจทีหนึง่งกคือไม่ใช่ด้วยความคาดหวังว่าจะให้มันหายไปนะแต่หายใจทีหนึง่งด้วยความตั้งใจว่าจะดูว่าตอนนี้มันมีอาการตึงๆอยู่เข้มข้นอยู่แค่นี้มันมีระดับความตึงแน่นอยู่แค่นี้ นะลมหายใจต่อมาคือไม่ใช่ไปรีบหายใจไม่ใช่รีบหายใจนะแต่ดูตามสภาวะทางกายเนี่ยว่าเขาต้องการลมหายใจเข้าเมื่อไหร่เสร็จ mm hmm. แล้วเนี่ยเราบอกตัวเองถามตัวเองว่าไอ้ที่อาการตึงๆเมื่อลมหายใจที่แล้วเนี่ยการลมหายใจนี้มันยังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าไม่ว่ามันจะตึงแน่นขึ้นหรือว่ามันมันจะคลายลงอย่างตอนนี้อาจจะตึงแน่นขึ้นเพราะเราตั้งหงษตั้งใจมากาคือตั้งใจเปรียบเทียบเกินไป เราเรากาจะเขียนให้ได้คือจะเก็บทุกเม็ดที่พี่พูดเนี่ยะนะเราเราจะต้องเราจะต้องเข้าให้ถึงเ อ, อเก็บรายละเอียดทั้งมคือมันไม่ได้จำเป็นว่าจะเก็บรายลเดียดให้ได้ขนาดนั้น<ะ>เอาแค่เหมือนกับที่เราตอบพี่ได้ว่าค่ะตรงที่มันเกิดการยอมรับว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงเอาแค่นี้เนี่ยอย่างอย่างนี้ดูถูกแล้ว แล้วดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะน่าจะรู้สึกว่ามันคลายออกเรื่อยๆจะในที่สุดเนี่ยมันมันถึงจุดหนึ่งเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าเราทํางานเนี่ยนะมันไม่จําเป็นต้องเครียดก็ได้คือจะตั้งเป้าไว้สูงแค่ไหนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเร่งเร่งรัดก็ได้ค่อยๆทําไปแบบสเตปบายสเตปให้มันค่อยๆถึงไปตามลําดับเราจะใจเย็นลงที่ผ่านมาเนี่ย คือมันเป็นประเภทคิดว่ารอไม่ได้เดี๋ยวตายก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณประมาณแบบต้องต้องทำให้สำเร็จให้ได้ต้องเอาให้ให้ได้ในชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ย<อ>คือมันเหมือนมันเหมือนอยากจะชนะอะไรบางอย่างที่เราตั้งมันเป็นศัตรูขึ้นมาสร้า<อ>งมันเป็นศัตรูขึ้นมาแต่จริงๆเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตนั่นแหละคือศัตรูถ้าเราจะพยายามเอาชนะมันนะ นั้นอย่ามองว่ามันเป็นศัตรูแต่มองว่ามันเป็นชีวิตที่ยิ่งเรายอมรับตามจริงยิ่งเรามีสติมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งเห็นความจริงมากขึ้นเท่านั้นนี่ที่ผ่านมามันไม่ใช่เห็นความจริงมันปฏิเสธทุกความจริงที่เข้ามาถ้าความจริงนั้นไม่เป็นที่พอใจเข้าใจพล้อยของตัวเองน ะ, ะของเราเนี่ยต่อต้านความจริง เพราะว่าความจริงมันไม่น่ายอมรับมันเลยกลายเป็นว่าชีวิตทั้งชีวิตเราเนี่ยเป็นศั ต, ตรูของตัวเองเหมือนต้องโค่นอะไรบางอย่างให้ได้มันมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่รู้แต่ว่าพอตั้งใจอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องเอาให้ได้ต้อง<ช>ทำให้ส<ะ>ำเร็จนี้ดูอย่างที่พี่ให้ดูเนี่ยนะแลฝึกอนาปันสติเรื่อยๆอแล้วก็ออกกาลังกายบ้างนะ เออมันมันจะคลายออกหมดในเวลาไม่นานค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่ตืออยากจะให้พี่ตือนช่วยดูถึงการภาวนาที่อาจาทำอยู่ทุกๆวันเนี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรแนะนำให้กลับไปทาเพิ่มเติมคือมันเหมือนกับเราตั้งออกตั้งใจแล้วแหละแต่ว่ายังมีอาการเหมือนกับตามใจตัวเองปล่อยให้มันเม่อไปบ้างปล่อยให้มันคือเวลา เวลาที่เราปล่อยจิตปล่อยใจอ่ะบางทีมันมีความสุขที่จะปล่อยให้มันลอยออกไปนึกออกใช่ไหมตอนที่อยู่ในภาวะที่มันปล่อยเลยตามเลยเงี้ยมันสบายดีแล้วก็รู้สึกยังยังติดใจกับไอ้ตัวที่มันเป็นอิสระในแง่ของการไม่ต้องควบคุมตัวเองแต่มัน ดีก็เหนื่อแต่ก่อนเยอะแล้วแต่ก่อนนี้มันอยากจะไปไหนมันไปแล้วก็ไปเรื่อยแต่ตอนนี้มันที่เป็นช่วงของการปล่อยใจเนี่ยมันมีอยู่ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะนี้ไปมองว่าตัวความรู้สึกคืออย่าไปมองตอนปล่อยใจฟังดีๆนะให้มองดูตัวความรู้สึกพอใจที่ได้ปล่อยใจ มันจะเหมือนกับสบายดีเหมือนกับคนได้พักเหมือ น, นคนได้นอนเนี่ยเพราะถ้าเราไปคุมอาการปล่อยใจเนี่ยมันคุมไม่ได้นั่นข้อแรกข้อสองเราจะรู้สึกต่อต้าน ก, น ก, นการควบคุมตัวเองเพราะเราเป็นคนเหมือนกับไม่ชอบถูกควบคุมอะไรแบบนั้นนะแต่ถ้าสังเกตความรู้สึกพอใจที่ได้ปล่อยใจอย่างเนี้ย มันเป็นการสังเกตแง่ดีซึ่งมันสามารถที่จะยอมรับได้พอรู้สึกว่าเอ้ยมันสบายดีได้ปล่อยใจมันจะเห็นเข้ามาในภาวะทางใจที่ว่ามันเป็นอิสระมันมันมีอาการที่ไม่ต้องควบคุมตัวเองไม่ต้องอยู่ในวินยัยนะเพราะว่า ชีวิตหลายส่วนมันมีวินัยอยู่แล้วมันมันต้องพยายามควบคุมตัวเองอยู่แล้วนะต้องทําตามหน้าที่ต้องมีคนอื่นมาให้ทํำน้นทนํานี่อะไรต่างๆเนี่ยมันมีวินัยตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอได้เป็นอิสระทางใจบางทีมันเกิดความพอใจก็ดูความพอใจนั่นแหละนึกออกใช่ไหมคําว่าความพอใจที่จะได้ปล่อยใจมันรู้สึกสบายดีเนี่ยดูตรงนี้เมื่อเกิดขึ้น ให้เรามองมองด้วยความเข้าใจนะว่าภาวะแบบเนี้ยภาวะลอยๆสบายๆอย่างเนี้ยเป็นต้นเหตุของสุขเวทนาสุขเวทนาแบบนั้นเนี่ยเป็นสุขในแบบที่เรียกว่าเป็นต้นเหตุให้สติมันอ่อนกําลังลงคือทําเป็นความเข้าใจไว้นะไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นพอเห็นอย่างนี้บ่อยๆตัวสติที่เห็นความพอใจ ที่เราจะได้ลอยออกไปเนี่ยมันจะเพิ่มกําลังมากขึ้นมากขึ้นกระทั่งเข้ามาเห็นจุดอ่อนของตัวเองคือสติที่มันมีกําลังขึ้นจริงๆนะมันจะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นจุดอ่อนเราอุตส่าห์พยายามจเจริญสติอุตส่าห์ทำโน่นทำนี่เยอะแยะนะแต่มีจุดอ่อนจุดนี้จุดเดียวเนี่ยมันเหมือนล้มเหลวเลยบางครั้งนะเราเราจะรู้สึกมันเอ๊ะมันทําไมไม่ก้าวหน้า ทำไมมันไม่เห็นอะไรแสดงความไม่เที่ยงพักทีที่ผ่านมามาเหมือนเป็นสติที่จะรู้ว่าหยับเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็เรากำลังโกรธเรากำลัลงฟุ้งซ่านยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งซึ่งมันเป็นสติเห็นแบบที่ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่สติเห็นแบบที่ว่าเออมัน ผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ใช่ตัวตนคือมันจะต่างกันแบบนี้เรียกว่าเป็นสติขั้นตน้นซึ่งจำเป็นต้องผ่านทางมาเดี๋ยวมันจะค่อยๆ ย, ยกระดับขึ้นไปแต่ตราบใดที่ในชีวิตระหว่างวันเรามีช่วงที่สบายดีได้ปล่อยใจ ม, มากๆ น, นี่ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ไม่รู้สึกถึงความไม่เที่ยงของสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปว่ามันจะเป็นจุดบอดเป็นจุดอ่อน ที่ทําให้กําลังของส ต, ติเนี่ยไม่แก่กล้าเต็มที่สรุปนะพี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะว่าจุดบ่อนของเราอยู่ที่ตรงไหนเราไม่ใช่ไปพยายามกําจัดจุดบอด น, นั้นด้วยความจงใจที่จะเห็นมันแล้วพยายามระวังรักษาไม่ให้มันลอยแต่ให้เห็นความพอใจที่จะได้ปล่อยใจว่าหน้าตามันเป็นยังไงมันเออมันสบายดีเนี่ยตัวเนี้ยดูตัวนี้นะ สวัสดีไปบวชมาครับครับไปบวชมาสี่เดือนครึ่งครับเออเออโอ้ยังเหมือนพระอยู่เลย <c oughs> ครับก็จากการบวชครับก็ได้โหลดนํานการปฏิบัติก่อนวิสัชนา พ, พิตูลไปฟังครับก็รู้สึกว่าก็ผ่อนคลายร่างกายแล้วก็นั่งดูลมได้สบายขึ้นครับแต่ว่าชีวิตประจำวันก็คิดว่าตัวเองน่าจะยังขี้เกียจอยู่ครับสติก็ เกิดน้อยอยู่ครับแต่ก็เวลาในรูปแบบทำได้สบายขึ้นครับก็ขอให้พี่ตุลช่วยแนะนำทั้งรูปแบบทั้งชีวิตประจำบันด้วยครับจิตข้างใ น, นยังเป็นพระอยู่อ่ะนะก็ดีแล้วใหเ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะค่อยๆเติมลงแหละนะการใช้ชีวิตคราว บ, บ้านเนี่ยมันจะทำให้นิจังมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดานี้ระหว่างที่มันยังมีสมณะสัญญาอยู่เนี่ยเราเอาประโยชน์ตรงนั้น ที่ว่าพอถึงเราจะรู้สึกขี้เกียจหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยใจมันไม่ได้แอคทีฟไม่ได้อะไรมากเนี่ยนะแต่ลองสังเกต ด, ดูว่าปรากฏการทางจิตอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถรับรู้ได้ง่ายยอมรับได้ง่ายว่ามันผ่านมาแล้วผ่านไปคืออย่าไปสําคัญคืออย่าไปคิดว่านี่เราจะเห็นผ่านมาแล้วผ่านไปคือแค่ยอมรับไปเป็นขณะขณะ เ น, นี่ตอนเนี้ยมันสมมุติอยู่ในอารมณ์ขี้เกียจไม่อยากทําอะไรมันก็รู้สึกเหมือนกับมีอะไรขุนขุนขึ้นมานะมันมันจะเหมือนมีอะไรที่ทําให้เนื้อตัวเนี่ยมันอ่อนแหลวปวกเปียกแค่ยอมรับว่าเออในลมหายใจนั้นเนี่ยมีสภาวะปวกเปียกมีภาวะทางใจขุนขุน ข, นขึ้นมานะแล้วดูต่อไป ว่าเออลมหายใจต่อมามันมันจะใสขึ้นหรือว่ามันจะยังขุนๆอยู่คือดูดูแบบเราเราก็เคยดูโอเคนะตอนระหว่างบวทเพียงแต่ ว, ว่ามันจะยังมีอารมณ์สับสอนอยู่เล็กๆ เ, ออเพราะว่ามันจะไปคาดหวังที่จะเห็นสภาวะไม่เที่ยงหรือสภาวะนัตตา ลองทบทวนดูตอนบวชนี่มันจะมีนึกออกไหมครับแบบอยากเห็นความไม่เที่ยงครับหรืออยากเห็นความเป็นอนัตตางี้ครับเดี๋ยวคือคือนึกได้จริงๆงใช่ไหมว่ามันส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป้าไว้รอก่อนนะครับว่าว่ามันเกิดขึ้นเองแล้วบกคับไม่ได้ครับก็มีอยู่ใ้ใจตลอดก่อนปฏิบัติโอเคทั้งปฏิบัติอ่ะอย่างนั้นแหละที่ที่พี่หมายถึงทีนี้ มันจะมีบางภาวะที่เราไม่ได้คาดหวังแล้วเห็นมันผ่านมาผ่านไปยกตัวอย่างเช่นตอนตื่นขึ้นมากำลังสบายสบายอยู่เงี้ยรบะบางทีมันเห็นตอนที่ตอนที่สบายสบายอยู่มันบางทีมันเห็นใส่เงีย้ยนะแล้วใส่เนี่ยมันมันมีความพุงสั้นก่อตัวขึ้นมาเล็กๆแล้วผ่านมาผ่านไปเงี้ย เันนียคือเห็นจริงครับคือมไม่ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ก่อนว่านี่เราจะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่เหมือนเงีมันก่อ ต, ตัวขึ้นมาแล้วมันหายไปแล้วเราไม่ได้ติดใจแล้วเราไม่ได้สนใจเฮ้ยนี่เมื่อกี้ที่ผ่านไปเนี่ยเราเห็นความไม่เที่ยงหรือว่าเห็นหน้านตาครับอันนี้เข้าใจปะที่พี่พูดถึงเนี่ยครับพอพออย้อนอตอนอย่างตอนตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกใสๆหลายๆเช้าเนี่ย ครับครับครับพอมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันเป็นภาวะอะไรผ่านผ่านเข้ามาในหัวแล้วถ้าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะหายไปครับนึกออกใช่ไหมครับครับนึกออกครับยังงั้นเหมือนกันคือถ้าเรารู้สึกว่าอะไรผ่านมาผ่านไปได้ในระดับความคิดนะในระดับที่มันหยาบกว่านั้นอย่างเช่นลมหายใจหรือว่าอาการเกร็งของเนื้อตัว หรือจะเป็นอาการปรุงแต่งชนิดเดินอื่นเป็นความขี้เกียจหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็ถูกเห็นโดยความเป็นของผ่านมาผ่านไปได้เช่นกันครับคือถ้าเราเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งนะเปรียบเทียบ ว, ว่าเราไม่ได้อยากไม่ได้มีความอยากไว้ก่อนไม่ได้อยากเห็นแต่มีอาการยอมรับสภาพว่ามันเป็นยังไงตัวยอมรับเนี่ยเป็นตัว เริ่มต้นจุดชนวนสติเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอาการอยากมีอาการคาดหวังตัวนั้นเนะ่ะคือชนวนของความอยากหรือภาวะตัญหานะต้องเข้าใจตรงจุดนี้ให้ดีครัเอเข้าใจจุดนี้ได้เนี่ยมันช่วงเนี้มันจะยังเห็นอะไรผ่านไป ผ, ผ่านมาได้ง่ายอยู่ ผมจะยาวกว่าสมัมนธสัญญามันจะหายไปแบบกลายเป็นคนโ ล, โลกเต็มที่เนี่ยัยังทำได้อีกช่วงหนึ่งขอดได้อีกช่วงหนึ่งระหว่างวันพี่ตุลมีอะไรแนะนำไหมครับผมไม่ค่อยระลึกรู้เลยครับตอนนี้มันมีภาวะใสๆปรากฏขึ้นเองอยู่เรื่อยๆ อ, ยอะ่ะครับอย่างตอนที่ไม่รู้เนี่ยมันจะขุนมันจะทึบ แต่ตอนที่มันรู้สึกว่านี่เรากําลังอยู่ในอิริยาบทนั่งเรากําลังอยู่ในอิริยาบทยืนเดินครับมันจะรู้สึกใสๆขึ้นมาครับแต่มันมันจะไม่นานครับเราก็เปรียบเทียบไปว่าตอนที่รู้สึกถึงเนื้อถึงตัวขึ้นมาเนี่ยมันใสนะตอนที่มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันขุนเปรียบเทียบอย่างนี้ไปนะระหว่างวัน ตอนบวชฝันเห็นพี่ตนสามสครับแล้วก็ครับก็หลังจากบวชคิดว่าจะจะโดนตอนตอนนั้นใส่เสื้อสีอะไรจำไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็หลังบวชก็ก็ตั้งใจไว้ว่าจะลดต้นเหตุความปุ้งสันครับจะดูเฟซบุ๊กน้อยลงจะความสุข ที่มกมุล น, น้อยลงครับก็จะพยายาม<ด>ครับ <laughs> ครับขอบคุณครับดีแล้วอนุโมทนาสวัสดีค่ะอาจารย์คือหนูอยากได้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัตินะคะเมื่อกี้มาทันตอนนั่งสมาธิปะ่ะค่ะมาทันค่ะเราจะรู้สึกว่าจิตเรามันตั้งสมาธินด้ยากนิดหนึ่งนะ อย่างเมื่อกี้พยายามทําตามก็รู้สึกเอ๊ะมันงง ง, งมันเหมือนกับบางทีมันจะเข้าใจสบายบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าข้างในมันจะงง ง, งตลอดใช่ค่ะที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าจิตเรามันคือไม่ค่อยมีจุดหมายที่แน่ชัดนะเราเอบทจะตั้งใจทําอะไรขึ้นมาบางทีมันก็จะตั้งใจแป๊บ เ้วเสร็จแล้วมันก็จะเหมือนกับเบื่อเราเป็นคนขี้เบื่อทําอะไรแป๊บหนึ่งมันจะไม่เอาละพอดีกว่ า, ารู้สึกเหมือนกับชีวิตมันอยู่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันมันเลยใจเนี่ยเลยปรุงแต่งว่าเอาอะไรไม่จริงพอจิตโดยรวมเนี่ยปกติมันมันรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยว่าเอาอะไรไม่จริง พอมาพยายามนั่งสมาธิมันเลยรู้สึกว่ามันอะไรเนี่ยมันทำไม่ได้มันยากนะเอาอย่างนี้คือแทนที่เราจะต้องไปฝืนทำอะไรย า, ยากๆลองมาทำอะไรง่ายๆดูยกตัวอย่างเช่นอย่างสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแข็งขันได้มีความกระตือรือร้อนได้นะอย่างว่า จะลุกขึ้นมาทำบุญตอนเช้าใส่บาตรทำอาหารเองอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันมันมีความแข็งขันได้มันมีความดูเหมือนกระตือรือร้อนอย่างต่อเนื่องและเต็มใจนะก็ทำบ่อยๆสังเกตว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรเองแล้วไปใส่บาตรมันจะมีความภูมิใจ มันจะมีความรู้สึกดีนะตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามหากุศลจิตคือการที่เราได้ทำบุญด้วยมือไม่ใช่เฉพาะไตรบาทกับมือนะแต่ทำด้วยมือทำบุญสร้างขึ้นมากับมือด้วยความรู้สึกที่มันสามารถจะเป็นสมาธิมีความกระตืร้น การทำบุญได้เนี่ยตอนเช้าเราล็อกไว้เลยว่าช่วงเช้าเป็นช่วงที่เหมาะที่เราจะทำบุญช่วงเช้าเป็นช่วงที่เหมาะที่เราจะเคลื่อนไหวช่วงเช้าเป็นช่วงที่เหมาะที่เราจะทำอะไรด้วยตัวเองคือไม่ต้องให้ใครมาชวนแต่เป็นการที่เริ่มด้วยตัวเองลองตั้งใจสมมติน ะ, ะช่วงแรกก่อน ว่าไหนๆเราถนัดที่จะทำบุญช่วงเช้าเนี่ยต้องเราลองตั้งใจทำติดกันรักสามวันก่อน ค, คือติดกันเลยนะแล้วดูว่าพอทำได้เนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งทางใจเกิดขึ้นมาที่ผ่านมาบางทีเนี่ยเนื่องจากเราถานตัวกลางคันบ่อยมันรู้สึกอ่อนแอเหมือนจะทำอะไรไม่ได้สำเร็จ ทั้งครั้งนี้จริงๆเนะี่ยข้างในเนี่ยมันมีจุดแข็งอยู่อย่างที่พี่ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เอาจากจุดแข็งนั่นแหละมาเป็นตัวตั้งพอเราทําได้สามวันติดกันเอเว้นวักไปสักอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะให้มันพักสบายๆนะตั้งใจทําให้ได้สวันหรือห้าวันติดกันเนี่ยแต่ละครั้งที่พอยของพี่ฟังดีๆนะพี่ไม่ได้ต้องการให้เรา ทำให้มากๆวันติดกัน p o อ n ์ยยของพี่คือเราจะได้ทำความตั้งทาตามความตั้งใจของตัวเองที่มันเป็นไปในทางดีที่มันเป็นไ ป, นปนในทางบุญได้สำเร็จเล้อเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำอะไรยาวๆได้ตามเป้าที่ตั้งไว้เข้ยาใจพอ i n นะเมื่อเรา รู้สึกถึงความสำเร็จตามความตั้งใจนะที่จะทำบุญเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีสมาธิมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีกำลังใจมีความรู้สึกว่าเข้มแข็งให้ลองนั่งสมาธิใหม่นั่งด้วยความตั้งใจแค่ว่าเราจะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตภายในกายนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่างถ้ามันมีสภาพงงๆล้วก็ตั้งใจว่าจะรู้จะยอมรับว่ามันมีสภาพงงๆเกิดขึ้นในลมหายใจนี้อีกลมหายใจหนึ่งสภาพงงๆนั้นมันยังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่านะถ้ามันยังงงๆเท่าเดิมยอมรับเนี่เราจะรู้สึกว่ากําลังของบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะประคองให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราสามารถดูได้เรื่อยๆ แต่ที่ผ่านมาพอมันงงๆปุ๊บเราอยากเลิกเลยเข้าใจพลอยที่แตกต่างไหมเพื่อง่ายเราจะเอาความสาเร็จในการทำตามความตั้งใจนะมาเป็นผานความรู้สึกว่าเราสามารถดูต่อได้เรื่อยๆตามที่เรากาหนดไว้อย่างเช่นเราตั้งใจจะดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะงงๆไปอีกนานแค่ไหนมันจะเปลี่ยนแปลงจากลมหายใจนึงอีกไปอีกลมหายใจนึงเนี่ย นะมันจะต่างไปให้ดูได้สักแค่ไหนดูไปดูอยากดูเล่นๆเรื่อยๆไปมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูได้นานกว่าเดิมมันไม่มีอาการอยากถอนตัวเหมือนเดิมนี่ตัวนี้เนะี่ยเป็นไปตามอาการที่เราทําบุญเราทําบุญด้วยอาการทางใจแบบไหนผลทางใจมันก็จะเกิดสอดคล้องตามนั้นนะจําได้นะสรุปก็คือว่าเาจุดแข็งเรามาเป็นตัวตั้ง ตั้งใจทำบุญให้ได้สักษามวันติดกันนะตอนเช้าทำได้มือนะพอทาสาเร็จรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาลองนั่งสมาธิดูนะพอนั่งสมาธิเราตั้งคือไม่เอาความสงบไม่เอาความนิ่งอะไรแต่เราจะเอ า, เอาอาการที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามัน ง, งงงอยู่นานแค่ไหนลมหายใจนี้กับอีกลมหายใจหนึง่งมันต่างกันแค่ไหนนะหรือสภาวะพุ้งซ่านภาวะรู้สึกเหมือนกับ อ่อนแอหรือว่าภาวะรู้สึกเหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นทางใจกันแล้วแต่ยอมนับหมดพอตั้งใจอยู่ด้วยอาการแบบนี้เนี่ยมันจะเห็นว่าเราทำได้นานขึ้นจริงๆแล้วมันจะมีกำลังใจที่จะทำสมาธิถึงแม้ว่าไม่อยากสงบมันจะสงบไปเองนะขอบคุณค่ะค่ะคือ สวัสดีค่ะไม่เป็นไรยุ้ยอันนั้นคือแบบว่าเวลาทําสมาธิอะค่ะบางครั้งหนูจะรู้สึกเหมือนว่ามันมันหมุนอะมันเวียงคือบางครั้งนี่บอกว่าเวียงมากจนเหมือนแบบว่าปวดหัวไปเลยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าแต่บางครั้งก็แตกใช่ค่ะคือไออาการที่มันเวียนหัวหรือว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมันมาจากการที่ ความคิดของเราเนี่ยเวลามันเวี่ยงมันเวี่ยงแรงเป็นคนที่คิดเนี่ยแบบสามารถกระโดดจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งได้แบบฉับพลันปรบปรับฉับพลันนละลมันมีความปรุงแต่งในแบบปรบปรับฉับพลันเนะี่ยคือสามารถเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปเป็นอีกเรื่องหนึง่งหรือว่าอารมณ์หนึ่งไปเป็นอีกอารมณ์หนึง่งได้ค่อนข้าง จะไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรากําลังโกรธ อ, อยู่มากๆเนี้ยถ้าใครมาอ้อนวอนหรื อ, อ่อพูดดีด้วยหน่อยเนี่ยเราก็ใจอ่อนทันทีแล้วก็หายโกรธทันทีอย่างเงี้ยหรืออย่างสมมุติเราเรากําลังมีสมาธิในการทําอะไรบางอย่างอยู่ ในการอ่านหนังสือหรือว่าในการเตรียมสอบเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วพอมีเครื่องรบกวนมากระทบนิดนึงเนี่ยมันเสียสมาธิไปหมดเลยเนี่ยคือพูดง่ายๆจิตขงเราเซนซิทีฟมากค่ะมันมันเพราะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิมันจะสะท้อนความเซนซิทีฟตรงนี้คือมันเหมือนเวียงเวียงงๆงจะเป็นสมาธิก็ไม่ใช่ จะฟุ้งซ่านก็ไม่เชิงนึกออกใช่ไหมเวลาที่เราโฟกัสอยู่กับอะไรจริงๆมันมันจะเหมือนกับเรานิ่งอยู่กับตรงนั้นได้่คอามันอยู่ได้ น, น, นา น, นๆแต่พ อ, อพอมีอะไรมันกระทบที่ไม่พอใจอนะคือยกตัว อ, อย่างบางทีเงี้ยมีโทรศัพท์มาแล้วใครพูดอะไรให้ไม่พอใจเนี่ยมันเสียสมาธิหมดเลยกลายเป็นฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงไปเลยเข้าใจอารมณ์ประมาณนั้นนะอ่านี่พอเรามองเห็นภาพ ว่าที่บานมาเรามีพฤติกรรมทางจิตแบบนี้ต่อไปการจเจริญสติในแบบของเราก็ควรจะมองเห็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงคือคือเนื่องจากนะอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับทุกคนนะเนื่องจากของเราอารมณ์มันสวิงแรงจากภาวะแบบหนึ่งไปเป็นตรงกันข้ามได้นะเราก็ดูตัวเนี้ยว่ามันต่างกันอย่างไรยกตัวอย่างเช่น ถ้ า, เ, าเรากำลังสนใจโฟกัสอะไรอยู่แล้วมีเครื่องรบกวนแม้กระทั่งความคิดของเราเองเนี่ยมาเบี่ยงเบนแล้วทำให้จิตใจมันฟุ้งซ่านไปในทันทีเนี่ยมันจะสามารถเห็นได้ว่าจิตที่มันเคยโฟกัสกับจิตที่มันเสียโฟกัสเสียศูนย์ไปเนี่ยมันต่างกันอย่างไรให้มองเป็นจิตว่าเนี่ยจิตกำลังแสดงความไม่เหมือนเดิมนะ ความแตกต่างระหว่างอาการโปรกัสกับอาการที่มันเสียศูนย์หรืออย่างเรากำลังมีอารมณ์โกรธแรงๆขึ้นมาแล้วมีเหตุอะไรทั้งอย่างแม้แตก่กระทั่งเราคิดขึ้นมาได้เองบอกเอ้ยไม่สนใจดีกว่ามันถอนถอนออกจากความโกรธได้แบบปรปปับยเราก็ดูไปว่าไอ้เมื่อกี้ที่โกรธ ที่มันรู้สึกร้อนที่มันรู้สึกร้อนแรงไ ต, ตอนที่มันเย็นวูบลงมาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคือเห็นความแตกต่างระหว่างจิตที่ถูกปรุงแต่งแบบหนึง่งกับอีกทางหนึ่งที่มันเป็นตรงกันข้า ม, มเห็นเปรียบเทียบไปบ่อยๆนะเข้าใจพลอยไหมคือพอพอเราเห็นความแตกต่างไปบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสติ<ม>เห็น เห็นอารมณ์ที่มันสวิงนะพอสติเห็นตัวสวิงมันมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆื่อยเนี่ยเอ้ตัวอารมณ์สวิงมันจะอ่อนกำลังลงไปเองแมนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราจะรู้สึกว่าเอ้อาการง ง, งงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกิดละหรือถ้าเกิดมันเกิดนิดเดียวที่พี่พูดมาคือภาพรวมว่าเรามี ไอตัวสวิงนี้น ะ, ะแล้วแนวทางคือเจริญส ต, ติเห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงเท่านั้นพอก็คือเวลานั่งสมาธิก็คือไม่ไม่ได้เหมือนว่าจดจ่อยกับลมหายใจแต่ว่าดูว่ามันเปลี่ยนไปยังไงอย่างนี้ใช่มใช่อ๋อค่ะยังเมื่อกี้ที่ที่เราดูแล้วมันรู้สึกเหมือนกับวิ่งเวียนหรืออะไรเนี่ยนะ ม, มันเพราะว่าตั้งใจ ม, มันติด ติดความเคยชินข้างใจที่จะโฟกัสนี่ตัวอารมณ์โฟกัสแบบนั้นเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เกิดภาวะสวิงขึ้นมาเพาะว่าอารมณ์ของเรามันมันมันจะไม่นิ่งมันจะสวิงคือคือตั้งใจเนี่ยมันมีแต่ความตั้งใจที่มันเกินแต่มันไม่รู้ว่ามันตั้งใจดูอะไรรู้วอะไร เข้าใจนะเข้าใจค่ะค่ะนั้นขอบคุณค่ะก็แต่สองเดือนก่อนพี่ให้ไปดูความฟุ้งระหว่างวันนะค่ะจริงดูก็ไม่แน่ใจมันก็ไม่ได้ได้รู้สึกว่าเห็นระหว่างวันมากขึ้นเท่าไหร่ค่ะก็เหมือนพยายามดูช่วงที่มันเปลี่ยนจากตอนทํางานกับตอนที่แบบเลิกจากงานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มันก็เหมือนยังได้ได้แค่แวบเดียวสั้นๆนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องตอนเดินด้วย ตอนเดินนี่ก็มีรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันอยากมันตั้งใจมากทุกครั้งที่เดินเหมือนกับมันมันเหมือนทำทาเหมือนเป็นงานที่ต้องไปทำอย่างนั้นค่ะยางงั้นอย่าไปคาดหวังว่าเราจะทำให้ได้ดีหรือว่าทำให้ได้ก้าวหน้าแต่คาดหวังว่าเราจะเห็นภาวะที่มันเปลี่ยนไปบางทีมันก็เหนื่อย บางทีมันก็เหมือนกับเฉยเฉยบางทีก็รู้สึกเหมือนกับมีเรี่ยวแรงขึ้นมามันมาเป็นบุบบุบบางทีเราก็รู้สึกว่าเคลื่อนไหวอะไรไปเนี่ยอยู่ๆมันมีแรงขึ้นมามันมีความกระตือรือร้นขึ้นมาแต่บุบสั้นๆมันก็รู้สึกเหมือนเฉยเฉยเหมือนเฉยเฉยเหมือนดื้อยาเหมือนอาการดื้อยาที่ว่าเราเรารู้มาหมดแล้วเราทํามาหมดแล้วแล้วก็อคล้ายๆกับเราพยายามใส่ปัจจัยบวกเข้าไป น, ะนี่ตัวที่ใส่ปัจจัยบวกเข้าไปเนี่ยมันไม่บวกจริงอะ่ะนะคือคือคล้ายๆเราทำตามความเคยชินมากกว่าอย่างเช่นพอจะตั้งใจดูกระทบแต่ก่อนพอเราดูกระทบเนี่ยใจมันมีใจเดียวรู้สึกถึงการกระทบ ใน ต, ตอนเนี้ยใจมันเหมือนครึ่ ง, งกๆกลางๆมันไม่ได้ดูกระทบเต็มๆคล้ายๆใจเราคิดเรื่องอื่นไปด้วยนี่เราก็ถ้าสามารถที่จะเห็นได้ณนะเวลานั้นเลยแล้วก็บอกตัวเองว่าเออเนี่ยมันไม่ได้ดูกระทบไม่ได้รู้กระทบอย่างเดียวนะมันใจเราเนี่ยมันลอยๆเหมือนกับแบ่งไปให้อีกอารมณ์หนึ่ง น่องเหนือจากอารมณ์กระทบไปด้วยนึกออกปะที่พี่พูดเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนกั น, ม, นมันคล้า ย, ยๆเหมือนกับครึ่งๆกลางกลางก็เไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเราไปเดินกลางคืนมากกว่าหรือเปล่ามันเลยแบบ ว, ว่าเฉยๆเนื่อยๆอย่างนี้หรือว่านี่ที่พี่พูดนี่พูดถึงเดินระหว่างวันนะตอนนี้เดินระหว่างวันระหว่างอยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เราก็เป็นเหมือนกับตอนเดินยงกลมไงใช่ไหมคือมันครึ่งๆกลางกลาง มาการเดียวกันมันเหมือนกลายเป็นความเคยชินที่เราจะครึ่งครึ่งกลางกกลับไปวิ่งดีกว่าคือถ้าตอนนั้นมันมันักเสรสขึ้นมาด้วยการวิ่งอะ่ะกลับไปนับหนึ่งใหม่ดีกว่าคือคือโอเคไอ้พอเรารู้สึกว่าสติมันดีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเออไม่ต้องไม่ต้องทามากเหมือนช่วงที่ แรกๆเงี้ยใช่ไหมแต่เสร็จแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆเอ้กํำลังตรงนั้นแล้วก็กลับไปนับหนึ่งใหม่เพราะจิตขงเราจะมีความกระตือรือร้อนขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเพราะว่าเราใช้ร่างกายแอคทีฟถ้าร่างกายมันยังเหมือนกับไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยจิตมันก็จะเรื่อยๆไปด้วยตามไปด้วยมันเป็นเายๆไปอย่างของเรามัน เหมือนกับเคลื่อนไหวน้อยมานานไงเรารู้สึกว่าเคลื่อนไหวน้อ ย, อยก็ได้สิ่งที่ต้องการมันไม่ต้องเคลื่อนไหวมากนี้จิตมันก็เลยคล้ายๆว่าโฟกัสอยู่กับเรื่องการคิดคิดในขณะที่ร่างกายไม่ต้องไม่ต้องขยับอะไรมากนี้ตอนที่มันวิ่งอะ่ะร่างกายมันถูกสอนให้เ อ, อมีภาวะแตกต่างไปแล้วจําภาวะนั้นได้ มันก็ปรุงแต่งจิตให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างนะมันจะมีความรู้สึกอารมณ์มันสดใสขึ้นอารมณ์มันตื่นมากขึ้นมีความกระตืรอร้อนมากขึ้นอจะกลับไปวิ่งได้ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วช่วงก่อนนั้นหนูก็รู้สึกว่าคือออกกําลังกายเนี่ยมันดีคือมันดีแม้กระทั่งว่าเรามีสมาธิกลับมาทําอย่างอื่นได้มันก็ดีกว่าชัดเจนแต่ว่าคือมัอนช่วงหลังๆคือไปวิ่งมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดีเหมือนครั้งแรกๆเหมือนก็ไม่ ไ, ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ มมันันนเปนที่ไม่ดีเหมือนครั้งแรกๆเนี่ยเป็นเพราะว่าอที่เอาที่เห็นนะคือใจเนี่ยมันคาดหวังคือครึ่งหนึ่งแต่ไอไอตอนทำครั้งแรกเนี่ยใจมันอยู่ที่เท้ากระทบเต็มๆแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคือมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที น, นี้พอเราผ่านตรงนั้นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอดคาดหวังไม่ได้ว่า วิ่งเนี่ยมันเปรียบเทียบทันทีว่าเฮ้ยได้ได้เท่าเดิมเปล่าพอไม่ได้เท่าเดิมปุ๊บเรารู้สึกใจมันเสียไปเสียกําลังใจไป น, นิดนึงแล้วพอครั้งต่อมาพอวิ่งในอาการที่มันเหมือนกับรู้สึกเฮ้ยมันเดี๋ยวจะไม่เท่าเดิมเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับไม่โฟกัสเต็มที่อีกน้องสังเกตที่อาการทางใจแต่ละครั้งที่วิ่งเนี่ยเราโฟกัสจริงหรือเปล่าถ้าโฟกัสจริงเนี่ย แต่ไม่ใช่ไปบังคับไม่ใช่ฝืนนะระวังระวังให้ดีว่าเดี๋ยวมันจะอึดอัดทั้งว่าสังเกตความอึดอัดด้วยถ้าอึดอัดแปลว่าเราฝืนแต่ถ้าเราเวิ่งแล้วมันกระทบกระทบไปเรื่อยๆแล้วเราไม่คิดอะไรอย่างอื่นเลยแม้กระทั่งว่าไอความคาดหวังไม่เปรียบเทียบช่วงแรกตอนทนะ็อปฟอร์มนะก็ไม่ไม่มีความใส่ใจตรงนั้นมีแต่ความใส่ใจว่าจิตของเรายังอยู่กับเท้ากระทบหรือว่าลอยไปทางอื่นแล้ว นะถ้าถ้ามันมาตรงนั้ น, 100นร้อยเปอร์เซนตเมื่อไหรแล้วเราสังเกตเข้ามาที่ใจอีกทีหนึ่งมันจะสังเกตแบบไม่เปรียบเทียบในช่วงแรกหรือช่วงไหนทั้งนั้นเอาแค่ว่าถามตัวเองเออตอนนี้มันสดใสขึ้นไหมตอนนี้มันมีความกระตือรือร้อนขึ้นกว่าเดิมไหมอ่าและตรงนั้นมันจะเป็นภาวะปัจจุบันจริงๆที่ผ่านมาพี่ว่าเราไปเปรียบเทียบกับภาวะอดีต แล้วพอไม่ได้อย่างใจมันเลยเหมือนกับใจเสียแล้วก็คล้ายๆบอกตัวเองมันมีอาการเหมือนกับกระซิปกับตัวเองว่ามันไม่ได้เรื่องแล้วก็คือตอนนี้ถึงแม้ว่าจะคาดหวังก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคือมันคงหรือว่ามันก็โคตรไม่ได้มันคงกลับมาคาดหวังก็เห็นความคาดหวังเห็นว่าเนี่ยคาดหวังไปเนี่ยมันมันจะเหมือนมีม่านอะไรขึ้นมากั้นไม่ให้โฟกัสได้เต็มที่คือเห็นเห็นอย่างนั้น เขียนแบบยอมรับว่าเนี่ยคาดหวังปุ๊บมันมันมีอะไรมากั้นอยู่ทันทีระหว่างจิตกะเอ๊เท้ากระทบก็คือก็คือทุกวันเหมือนเดิมใช่ไหมคะทุกคนถ้างานหนักมากก็เอาแค่อทิษฐ์ละสามครั้งก็ได้สามครั้งพี่ว่าน่าจะน่าจะกลับมาอว่านา น, านี้มันเหมือนกับบางวันคือมันมันไม่เหมือน เมื่อหลายปีก่อนร่างกายเรายังเพลสจูมันจะรู้สึกมีแรงทำอะไรมันไม่ได้เหนื่อยมาก ต, ตอนนี้มันจะนคร้ยเจอคนไข้ไปเยอะๆอะไรเงี้ยมันมันก็คือมันยังไม่ถึงกับเบื่อนะแต่ว่ามันเริ่มเหนื่อยมันคล้ายๆเคลื่อนไหวอะไรเป็นออโต้พ l o อแล้วอย่างตอนแรกเนี่ยลองนึกดูเราเราใส่ความคิดเข้าไปเรา นึกจะพอเสร็จจากนี่ไปจะไปทํานั่นมันมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่นีนตอนนี้เห็นว่าการวางแผนมันหายไปคือมองข้ามช็อตเนี่ยมันจะไม่มีแล้วมันจะมีแต่แบบออโต้พาลอดเห็นไหมเห็ น, หนจิต ต, ตัวเองไหมมันเดินตามตารางอ่าเนี่ยอือยู่พอทุกอย่างเริ่มคุ้นเคยเนี่ยการทํางานของจิตมันจะเหนื่อยลงเป็นธรรมดายกเว้นแต่เราหาอะไรที่มันเชลเลนจ์มากขึ้นมากขึ้น เนี่ยที่มันจะชาเลนจ์จริงๆสำหรับเราเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องการเจริญส ต, ตินี่แหละชาเลนจ์ challenge ในแง่ที่ว่าเออวันนี้เราเร า, เราเราเฉือยไหมเราเนื่อยไหมวันนี้มันมีความกระตือรือร้อนไหมมองไปแบบเปรียบเทียบเป็นคุณภาพทางจิตเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออมีอะไรให้ทำทุกวันไม่งั้นมันจะเหมือนรูเทีนหมดเลย ก็เฉืยๆไปหมดก็เลยก็คือสรุปก็คือเป็นไปวิ่งเหมือนเดิมนะคะช่วงสามวันแต่ช่วงวันที่เหลือคือไม่ช่วงวันที่เหลือเราจะนั่งสวดมนต์บ้างก็ได้ทำสมาธิมัางก็ได้ไม่ใช่ใคือปกตินั่งสมาธิก็หลับ <laughs> มันเหนื่อยมันก็จะหลับ <laughs> นั่งตอนเช้าที่นั่งบ่นเช้าไม่หลับหรอก แต่นั่งตอนเช้าก็อาจจะพุ่งสั้นเพราะว่าถ้าไม่เคยชินเนี่ยมันจะเหมือนกับยังมีความปรุงแต่งในหัวตกค้างมาจากความฝันของเราฝันยังฝันวุ่นวายอยู่ช่วงนี้นะมีแฟนแล้วก็อย่างนี้แหละเราไม่มีโอเคจะ้ะปฏิบัติมาสักพักดูกายดูจิตแต่ว่าทีเนี้ย บางช่วงก็ดูเหมือนจะพัฒนานะครับแต่บางช่วงก็ดูเหมือนเป๋แล้วก็อย่างช่วงนี้ฟุ้งแหลกเลยแต่ช่วงนี้กลับเห็นายรักของหลายๆอย่างดีขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราเห็นความโกรธหรืออาการของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเรา เ, เหมือนกับเราไม่ตื่นเต้นกับอะไรที่ที่เกิดขึ้นเท่าไหร่ ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าก็เลยก็เลยอยากจะอยากจะมาถามดูครับที่ปฏิบัติมามันเกิดความรู้สึกว่ากายใจเป็นอนัตตาจริงนะรู้สึกเหมือนเออเนี่ยมันไม่มีตัวเรามันไม่มีตัวตนแต่มันแปะเข้าไปแผ่วมันมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนานครับมันมันเหมือนมันเหมือนข้ามพ้นไอ้ความคิดละคือไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียว มันรู้สึกขึ้นมาจริงๆในณขณะที่มันสัมผัสมันจับต้องได้ว่าเนี่ยเอเรีบทเป็นอย่างนี้กําลังเป็นอย่างนี้อยู่แต่สังเกตนะอรียบบท น, น, นั้นเนี่ยมันจะตั้งอยู่แป๊บเดียวคือคือไม่ใช้ตั้งอยู่นานมันมันไม่ใช่เห็นด้วยความรู้สึกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยแบบต่อเนื่องนั่นเพราะว่าสติที่เกิดขึ้นเป็นเ อ, อสติที่ยืนพื้นอยู่บนสมาธิที่มีกําลังอ่อนนะ มันมันรู้สึกถึงความเป็นโพร่งของร่างกายเหมือนร่างกายมันก ล, งกลวงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมีมีจิตอยู่มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดอยู่แล้วก็ตัวอารมณ์รู้สึกนึกคิดเนี่ยมันจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มก้อนอะไรแปร๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็สลายตัวไปนี่มันยังมีเศษมันยังมีเงาของความรู้สึกว่าตัวเรากำลังเป็นผู้เห็นอ น, นัตตาอยู่มันเหมือนฉาบอยู่บา ง, บาง นึกออกไหมพอพอเห็นอะไรหายไปเนี่ยเยาจะรู้สึกว่าเราเห็นตัวเราอ่าตัวเราเป็นเป็นคนเห็นเนี่ยตัวเนี้ยคือตัวตัวเนี้ยที่มันยังฉาบอยู่สะท้อนที่เห็นว่าจิตมันไม่ใช่สมาธิจริงมันเป็นสมาธิอ่อนอ่อนคือข้ามพ้นระดับความคิดไปแล้วแต่ยังไม่ใช่ยืนพื้นอยู่บนสมาธิที่จะ รู้สึกได้นานๆ น, นะถึงความเป็นนรตาของกายใจมันรู้สึกแป๊บเดียวได้แป๊บเดียวนั่นแหละทำให้มันเคลียร์ออกไม่หมดว่าเนี่ยความรู้สึกในตัวตนอมันทีนี้ถ้าอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอตอนฟังผมไกลเรื่องสมาธินี่นะ คือมันก็ตั้งใจทําตามไปด้วยแล้วเสร็จแล้วมันก็อาศัยความเคยชินเดิมมันกลับมาดูเป็นแวบๆแบบมาดูว่าเออเกิดอะไรขึ้นในหัวเดี๋ยวมันหายไปกลับมาดูว่าเออเนี่ยอันนี้เป็นอนัตตามันกระโดดไปกระโดดมามันไม่ได้รู้สึกถึงลมหายใจกัระทั้งเห็นลมหายใจแสดงความไม่เที่ยงมันจะรู้สึกลมหายใจเป็นบุบๆนะเนี่ยตัวเนี้ยลองไปเอ่อ ดีเซตใหม่คือเราตั้งใจดูลมหายใจอย่างเดียวก่อนเพื่อที่จะเนี่ยตั้งเป้าไว้นะเราเห็นลมหายใจแสดงความไม่เที่ยงได้จิตมันจะมีสมาธิมากขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นคือไม่ต้องห่วงว่าไอ้ตัวทิฏฐิตัวการมองเห็นเนี่ยมันจะผิดละมันมันเคยเห็นมาแล้วอนัตตาเป็นยังไงแต่เห็นด้วยสมาธิอ่อน นี่เราลองมาสร้างสมาธิคือสมาธิในที่นี้ไม่ใช่สมถะนะแต่เป็นการเห็นว่าลมหายใจแสดงความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรจิตมันจะได้มีน้ำหนักมีกําลังมากกว่าที่เป็นอยู่คือเห็นการเกิดของลมหายใจเข้าแล้วก็ดับแล้วก็เกิดของลมหายใจออกอย่างนี้หรือเปล่าครัอย่ า, อ ย, าอย่าไปเอาคําตอบแบบนั้นฟังดีๆนะเมื่อกี้ของคุณเนี่ย พอผมไกดสมาธิเนี่ยนะเรามองเราเราดูเออเนี่ยเท้ามือพอเริ่มมาดูลมหายใจเนี่ยเราดูทีสองทีแล้วพอเกิดความผุ้งสั้นขึ้นมามันมันเข้ามาดูละดูโดยความเป็นอนัตตาคือมันตั้งใจดูมีคําว่าอนัตตาขึ้นมาอยาให้เห็นว่าอนัตตาเป็นยังไงเสร็จแล้วพอเ อ, อเห็นแป๊บๆเนี่ยมันเริ่มเลอไปมันก็ไม่ได้กลับมาที่ ลมหายใจจริงกลับมาแป๊บหนึ่งแล้วมันเดี๋ยวพอพอมันนึกได้พอมันหายเบลอเนี่ยก็ลกลับไปดูหน้าตาใหม่นี้ถ้าจ ะ, จะเจริญอาณาปานสติจริงๆเนี่ยหมายความว่าพอเห็นนะความฟุ้สซ่านเกิดขึ้นแล้วกลับมาดูเลยเออเนี่ยเท้าเท้าสบายไหมมือสบายไหมหน้าสบายไหมเออเนี่ยถึงเวลาลมหายใจจะเข้าหรือจะออกกลับมาสํารวจใหม่ นับหนึ่งใหม่เลยคือไม่ใช่ไปจดจอจดจ้องอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะแบบนั้นเนี่ยมันไม่เต็มจิตมันไม่เต็มจิตมันเห็นแค่ส่วนเดียวส่วนย่อยของลมหายใจนะเข้าใจนะรีเซ็ตเท้ามือตาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำได้เรื่อยจนกว่าเราจะแน่ใจว่าที่เราเห็นอยู่คือความไม่เที่ยงของลมหายใจอย่างเดียวมันจะได้มีน้ำหนักของสติมากขึ้น เข้าใจพลอยนะอันนี้คื อ, อรูปแบบของการที่กลับไปทำรูปแบบในบ้านใช่แต่ถ้าเกิดในเวลาเวลาที่ดำเนินชีวิตยังรู้อนัตตามันจะถูกไหมครับคือมันพอรู้อย่างนั้นไปเรื่อยๆมันกลายเป็นความเคยชินขึ้นมาแบบหนึ่งเข้าใจไหม อ, อยู่ระหว่างวันเนี่ยคือดูอย่างนั้นก็ได้ แต่แต่ให้มองด้วยว่านั่นคือการสร้างความเคยชินที่จะเห็นอนัตตาแบบแป๊บๆเวลาเดินเดินไปไหนเนี่ยดูเท้ากระทบไปคือถ้าเมือ่อเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ที่มีโอกาสจะเกิดภาสสะจริงๆขึ้นมาเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องจินนนาการถึงอนัตตาเนี่ยนะจะเป็นการเดินไป ย, วยาวๆหรือว่าจะมานั่งสมาธิก็แล้วแต่เนี่ยนะให้ให้รับรู้ถึงกระทบนั้นๆให้ต่อเนื่อง นี่คือนี่คือหลักนะเพื่อที่จะให้น้ำหนักของสติเนี่ยมันมีมากขึ้นกว่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำหนักสติของเราถูกใช้ไปในการเห็นอนัตตาแป๊บแป๊บหมดเลยซึ่งพอมันเคยชินอย่างนั้นปุ๊บแล้วเราจะมาฝึกให้มันเกิดสมาธิจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกยากมันจะรู้สึกว่าฝืนเหมือนเมื่อกี้เนี่ยตอนตอนที่นั่งไปเนี่ยนั่งนั่งดูลมหายใจไปแป๊บมันมันเข้ามา อดวนนัตตาละโอเคถ้าเกิดสมมติแบ บ, แ บ, บ, แ บ, บนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าจะถูกแล้วใช่ไหมครับคือที่สั่งสมมาเนี่ยมันทําให้เกิดการเห็นเหมือนกันนะเพียงแต่ ว, ว่ามันจะไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้น้องสังเกตดิคือมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานเป็นปีแล้วใอ่ใแล้วมันก็ไม่ก้าวไปไหนครับเพราะว่ามันเห็นด้วยกําลังจิตที่อ่อนอเป็นตมาที่อย่างมันอ่อนแล้วมันก็รู้สึกพอใจ พ่ารู้สึกว่าเออเนี่ยเรากำลังเห็นออนี่คือวิปาาัสสนาญาณแล้วนี่คืออะไรพอไปล็อกไว้ด้วยความพอใจแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ไม่คิดจะทำให้มันเก <9 S 1> <ห>้าต่อความ้านะก็คือเดี๋ยวไปเพิ่มกำลังของสมาธิเพิ่มขึ้นครับ อ, อ, อย่างเวลาสวดมนต์น่สังเกตเนี่ยใจมันจะลอยเห็นไหมนี่แสดงว่ามันไม่มีแรงจูงใจไม่มีเหยื่อล่อที่ทาให้เราโฟกัส จริงจังมากพอมันจะไปมีตั้งความพอใจกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเนี่ยได้เห็นอนัตตาพอไปล็อกอยู่ตรงนั้นปุ๊บแล้วกำลังสมาธิมีอยู่แค่นั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆเหมือนกับคนที่ฝึกที่จะขี่ม้าแบบขี่ม้าง่ายๆเบสิกพื้นฐานอย่างเงี้ยแล้วพอพอใจว่าเราขี่ม้าได้แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่คิดที่จะฝึกทักษะให้มัน ก้าหน้ามากกว่านั้นจะไปกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเรืออะไรเนี่ยมันมันจะไม่กล้ามันจะมีความรู้สึกเหมือนแยงแยงอีกนิดนึงนะครับเอ่อถ้าเกิดผมเห็นกิเลสปุ๊บเนี่ยแล้วเราบังคับ บ, คบังคับเอ่อความรู้สึกไม่ให้มันเกิดมันจะถูกหรือผิดครับถ้าไม่ทำให้ฟุง้งซ่านไม่ทำให้เพิรเจอร์ไม่ทำให้ผิดศีล น, นะ ไม่ก็เราดูอย่างเดียวก็พอแต่ถ้ามันจะทําให้ฟุ้งซ่านทําให้เพ้อเจอ้อทําให้ปิดศีลต้องห้ามคืออย่างอย่างบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้ความคิดเนี่ยมันฟุ้งกระจายไป เ, ยเออ ใ, ในในเรื่องที่แสดงความเห็นในเรื่องที่แข่งกันว่าเอาถูกเอาผิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันตั้งตั้งทงไว้ถ้าเขายัางไม่ยอมแพ้เราก็ จะยังพูดต่อไปเรื่อยๆนั่นเข้าขายเพอเจอแล้วคือจิตเนี่ยมันมันจะปั่นป่วนไปเรื่อยๆ เ, เราก็ต้องรู้ตัวว่าปั่นป่วนแบบนี้เนี่ยดูยังไงก็ดูไม่ออกหรอกต้องห้ามอย่างเดียวค่ะสวัสดีค่ะคือประสบการณ์เป็นศูนย์ทุกเรื่องเลยค่ะไม่ไม่ไ ม, มีคือถามว่าซื้อหนังสืออาจารย์ไหมซื้ อ, อแต่ว่ า, าก็ไม่อ่านก็รู้สึกดีว่าได้ซื้อ แล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้สนใจแต่ว่าระหว่างทางก็คือมีเรื่องไม่ดีไม่สบายใจเยอะแยะมากมายก็มีคนระหว่างทางก็บอกให้นั่งสมาธินั่งสมาธิตลอดเวลาซึ่งเราก็ล้วก็เคยพยายามนั่งแต่มันมันนั่งไม่ได้เราก็แรกๆปวดเมื่อยหลังๆก็เริ่มแบบเออหายใจอย่างเมื่อกี้ให้นั่งเงี้ยค่ะก็จดจ่อก็พยายามจดจ่อที่ลมหายใจใช่ไหมคะก็ก็ไม่เข้าใจก็ ใช้คำว่าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีความรู้เลยอาเมื่อกี้ภาวะที่ปรากฏเด่นนะคือภาวะรู้สึกฝืนฝืนรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นเห็นก็จริงแต่ว่าเห็นแบบฝึนฝะืนนะมันไม่ได้เห็นแบบสบายตัวนั้นเป็นภาวะที่ปรากฏเด่นที่สุดพูดง่ายๆว่าเราต้องฝืนใจทาอะไรบางอย่างเหมือนกับถ้าเราเต็มใจเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจที่จะทาแต่ถ้าเมื่อไหร่ ที่เรารู้สึกยังไม่ได้เต็มใจแล้วมีใครบังคับให้ทำเนี่ยมันจะมีความมันจะมีอารมณ์ฝืนๆเข้ามาเคลือบถ้าหากว่าเรามองเห็นอาการฝืนได้นั่นเรียกว่าเห็นอาการปรุงแต่งทางใจแล้วพอเห็นอาการปรุงแต่งทางใจนะเราแค่เปรียบเทียบเท่านั้นเองว่าในลมหายใจนี้กับอีกลมหายใจหนึ่งความฝืนแบบนั้นเนี่ยมันยังเข้าเดิมไหม ถ้าความฝืนหายไปแล้วนั่นเรียกว่าเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วน่าดีใจได้คือเหมือนว่าบางทีลมหายใจแต่ทำไมรู้สึกว่าตัวเอนหายใจมันสั้นมากแล้วแล้ว เ, เห็นแต่ตอนเข้าแล้วตอนหายใจออกไม่ไม่รู้สั้นมากเลยค่ะมันเอางี้ลองดูจากอารมณ์ขั้นพื้นฐานในระหว่างวันก่อนอย่างถ้า เ, เวลาเราโกโรธหรือไม่พอใจ มันจะรู้สึกอึดอัดของเรานะมันจะมันจะมีสองแบบคือว่าถ้าเป็นคนที่เราต้องเกรงใจเราจะเก็บไว้แล้วมันอึดอัดคือไม่พูดไม่ไม่ไม่แสดงออกเหมือนกับเราต้องฝืนไว้แต่บางทีถ้าเป็นคนสนิทคนคุ้นเคยคนใกล้ตัวมันจะอีกแบบหนึ่งเราจะพูดทันที แสดงความไม่พอใจออกมาบางทีก่อนหน้าที่จะเห็นอะไรไม่ชอบมาภากคกลซะอีกคือด้วยความเคยชินเนยมันอึดอัดมันเก็บกดมาเยอะไงแล้วมันก็ต้องการที่จะระบายเนี่พอเห็นอารมณ์แบบนี้เนี่ยใจมันจะเป็นเงี้มีความรู้สึกระบายขึ้นเห็นไหมมันมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกระบายความอาึดอัดอะไรบางอย่างออกไปนี่คือธรรมชาติของการที่เรามีสติเห็น ภาวะฝืนภาวะฝืดฝืนเนี่ยอย่างตอนนี้มันไม่ได้สบายเท่าเก่าอ่าเนี่ยคือแค่รับรู้อยู่เฉยๆด้วยอาการยอมรับที่ผ่านมาเนี่ยนะของเรามันจะคุ้นเคยอยู่กับการที่เก็บปดอะไรอัดๆไว้นะแล้วก็จะยอมรับไม่ยอมรับเนี่ย มันเหมือนกับไปแช่แข็งมันไปไปเข้าใจคาว่าแช่แข็งไหมไปฟรีซมันไว้ในใจคือไม่ได้คิดเป็นบวกไม่ได้คิดเป็นลบแต่ล็อกมันไว้นิ่งๆเพราะว่ามันมีอยู่หลายโอกาสที่เราไม่สมควรจะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกไปมันก็เลยล็อกไว้เฉยๆนี้ด้วยอาการอย่างนี้พอมานั่งสมาธิเกิดอะไรขึ้นมันจะเหมือนกับว่า แค่หลับตาปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกแน่นแล้วยังไม่ต้องทําอะไรเลยนะนี่เพราะว่าไม่ใช่ความผิดของสมาธินะแต่เป็นเพราะว่าเราเก็บสะสมของแข็งๆว้เยอะนี่อย่างเมื่อกี้นี้พอผมบอกว่าเห็นไหมมันมีความอึดอัดเห็นไหมมันมีความรู้สึกเก็บอะไรที่มันกดกดไว้เยอะเนี่ยแล้วเห็นภาวะนั้นปุ๊บมันรู้สึกผ่อนคลาย เรียกว่ามีอาการยอมรับสภาพที่มันมีอยู่จริงๆในเราต่อไปในระหว่างวันคือมันต้องฝึกจากระหว่างวันนะไม่ใช่มานั่งฝึกเอาจากการนั่งสมาธิเมื่อไหร่มีความรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าจะต้องเก็บอาการ ท, ทั้งทั้งที่เดิมเนี่ยถ้าทําได้ปีติไปแล้วอต่นี้มันต้องเก็บอาการในอาการ ที่เหมือนกับจะต้องเก็บกดนั้นเน่ยมีความรู้สึกอึดอัดอยู่ยังไงมันจะมันจะรู้สึกแน่นๆตรงนี้มันจะรู้สึกเหมือนตึงๆคล้ายๆว่าสมองไม่ทํางานนึกออกไหมตอนสมองไม่ทํางานเน่ะเหมือนกัว่าฉันไม่รู้ฉันไม่มีความคิดเป็นบวกเป็นลบอะไรทั้งสิ้นรู้เลยว่าฉันฟังอย่างเดียวมันถูกบังคับให้ต้องฟังอย่างเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกตึงๆแล้วเหมือนแบล้ k เหมือนอะไรในหัวมันหายไป มีแต่อาการปันๆันตัวในความรู้สึกนึกคิดที่เป็นตัวของตัวเองหายไปพอรู้อย่างนั้นได้ด้วยอาการยอมรับนะเหมือนกับมีอะไรตันตัแน่นๆอยู่ในหัวเนี่ยมันจะคลายออกนี่คืออาการที่มันระบายออกมาระบายอะไรแข็งๆออกมาเสร็จ แ, แล้วพอมีความเคยชินที่จะสังเกตตรงนี้นะมันมีความแน่นๆขึ้นมาเห็นเอ้ย นี่อาการแน่นๆหน้าตาแบบนี้แล้วมันคลายออกคลายออกอาจจะแป๊บเดียวนะแล้วกลับมาแน่นใหม่นะแต่อย่างน้อยดีใจได้แล้ะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงจากที่มันแน่นๆมันกลายเป็นคลายออกนิดนึงแล้วมันกลับมาแน่นขึ้นมาใหม่นี่เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงของภาวะพอเห็นความไม่เที่ยงของภาวะบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นมันจะรู้สึกเหมือนใจเนี่ยโปร่งโล่งสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเก็บอัดไว้ เหมือนอย่างแต่ก่อนอันนี้พอมานั่งสมาธิใหม่มันจะเริ่มต้นขึ้นมาเอ๊ะมันรู้สึกสบายนี่มันไม่ด้ออัดแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันกดดันเหมือนแต่ก่อนแล้วนะในใจมันโล่งขึ้นนี้พอโล่งขึ้นเนี่ยก็สังเกตว่ามันไม่ได้โล่งตลอดบางทีมันมันโล่งมากบางทีมันโล่งน้อยๆบางทีมันไม่โล่งเลยนี่มันก็ไม่แตกต่างจากที่เราสังเกต เอาตอนอยู่ในระหว่างวันนี่เรียกว่าเอาส่วนที่เราอึดอัดกับมันที่สุดมาปฏิบัติให้เกิดความสบายที่สุดนะอย่าปฏิเสธความอึดอัดหรือว่าบางทีมันอยู่ในภาวะแบบเหมือนแบ a n k ไปเลยเหมือนไม่คิดอะไรเลยเหมือนภาวะ escape หลบหนีออกไปอยู่อีกโลกหนึ่งคือมันมันสร้างโลก ของการหลบหนีแบบเนี้ไว้นานพอสมควรนะนานจนกระทั่งว่าเราเรารู้สึกเหมือนกับี่มันมันเป็นมันเป็นตัวเราไปแล้วอ่ะมันเป็นความเคยชินไปแล้วทีนี้ที่ที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันไม่ใช่ด้วยความบังเอิญไม่ใช่ด้วยการที่เราจะมานั่งสมาธิด้วยแต่ด้วยการที่เรามาสังเกตอย่างเงี้ยสังเกตเห็นความไม่เที่ยงนะก็เหมือนสังเกตเห็นนะคะแต่ ก็เริ่มสังเกตเริ่มสังเกตตัวเองเพราะว่าโอเคก็เหมือนมันนั่งสมาธิไม่ได้แต่ว่าก็ฟังคนอื่นเยอะก็เอามาลองนั่งก็ดูจับจับตัวเองดูแต่ว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจคําว่าที่เห็นมันแล้วยังไงต่อแค่รู้สึกว่ามันไม่เท่าเดิมเปรียบเทียบเป็นลมหายใจไงลมหายใจนี้มันแน่นขึ้นมามากอีกลมหายใจหนึ่งมันอ่อนกําลังลงแล้วเดี๋ยวอีกลมหายใจหนึ่งมันมันกลับแน่นขึ้นมาใหม่เห็นไปเรื่อยเรื่จนกว่าจะรู้สึกว่า หมดแรงแล้วนะตอนแรกๆเนี่ยเราจะยังไม่รู้ผลว่ามันจะดีแค่ไหนแต่เหมือนอย่างตอนเนี้ยพอมันพอมันรู้เข้าไปตรงๆถึงภาวะอึดอัดแล้วมันสบายขึ้นไ อ, ไอตัวนี้แค่หนังตัวอย่างแต่ว่าไปทําจริงๆในระหว่างวันเนี่ยคือเราจะรู้สึกว่าข้างในเนี่ยนิสัยทางจิตมันดีขึ้นด้วย ตอนนี้นิสัยทางจิตเนี่ยมันจะรู้สึกอยู่ในตัวเองมันเหมือนเหมือนพร้อมจะร้ายมันมันเหมือนพร้อมจะร้ายมันเหมือนพร้อมจะคิดอะไรที่มันไม่ดีอ่ะนึกออกไหมถ้าเราอึดอัดแล้วมันมันมันมันไม่ได้ระบายออกเนี่ยเวลาเราไปอยู่กับคนใกล้ตัวเนี่ยมันคิดอะไรไม่ดีออกมาเยอะแยะคือทั้งทั้งที่บางทีมไม่ได้ตั้งใจนะใช่ค่ะแต่มันพ่นออกมา จากส่วนลึกที่มันเก็บอาดไว้โดยที่เราไม่รู้ว่ามันเก็บไว้เมื่อไหร่แค่ไหนนะเออมันมันรู้แต่ว่าอีกทีเนี่ยมันก็ออกมาแล้วนี้พอเราเริ่มสังเกตเห็นความไม่เที่ยงของอาการอึดอัดระหว่างวันน่าจุดเกิดเหตุเลยไม่ใช่เก็บอาดไว้อย่างเดียวมันจะรู้สึกไหมว่ามีมุมมองแบบใหม่เกิดขึ้นมา มุมมองอันเกิดจากความรู้สึกโล่งใจมุมมองอันเกิดจากความรู้สึกสบายใจมุมมองอันเกิดจากความรู้สึกว่าเออข้างในเนี่ยมันสว่างขึ้นแต่เดิมเนี่ยม่เหมือนกับข้างในของเราตอนอืดอัดเนี่ยมันมืดมันเหมือนอยู่ก้นถ้าแล้วมองไม่เห็นแสงนี่อย่างตอนเนี้ยคือความคิดเนี่ยลองดูนะถ้าคิดอะไรมันพร้อมจะคิดดีมากขึ้น มันอย่างน้อยอมันคิดไปในทางที่เป็นกุศลม่นอเพระาะอะไรคะเพราะว่าเราสังเกตรหรือว่าพอเราจะนั่งสมาธิหรือเพราะจิตเมื่อมีความรู้สึกสบายเมื่อเห็นความไม่เที่ยงจิตจะเป็นกุศลหรือไม่ก็เป็นมหากุศลจิตตัวที่คําว่ากุศลเนี่ยนะกุศลธรรมหรือว่ากุศลจิตเนี่ยมันจะผลิตความคิดดีๆออกมา มันจะมีแสงสว่างในตัวเองมันจะมีความสุขในตัวเองแต่ถ้าหากเป็นอากุศลจิตนั้นเกิดจากการเก็บอัดเก็บกดมันจะมีความมืดและมีแนวโน้มที่จะผลิตความคิดที่เป็นอากุศลออกมาเช่นกันนี่หลักการง่ายๆแต่ว่าคนนะพอไม่สังเกตแล้วเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นและพอไม่สังเกตมองไม่เห็นมันก็จะไม่เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง อย่างที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิบัติของเราก็คือว่าไม่รู้แหละฉันถือว่าฉันทำหน้าที่แล้วด้วยการอยู่เฉยๆไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรออกไปทั้งๆที่เนี่ยจริงๆแล้วมันถูกบล็อกไว้หมดแล้วเนี่ยสมมติถ้าเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะแล้วมันต้องแก้ด้วยยังไงไม่ใช่แก้แต่สังเกตเวลาที่อ่ะสมมติเราเราฟังใครพูดอะไรที่เราเนี่ยเคยชินที่จะรู้สึกไม่ดี ปกติของเราจะเก็บแล้วก็นึกออกไหมเหมือนผีดิบอะข้างในจะเหมือนแบบทื่อๆอยู่ไม่ไม่ขือไม่อือไม่แสดงออกพอถึงจังหวะจะต้องแสดงออกถึงนี่ขยับออกไปเหมือนหุ่นยนต์นึกออกใช่ไหมภาวะอย่างนั้นทีนี้ถ้าเกิดภาวะอย่างนั้นอีกในการเจริญสติหมายความว่าเราได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นท่าทีที่หน้ามันไส้อะไรก็แล้วแต่ แล้วว่าทําให้เรารู้สึกเหมือนกับหนักๆอยู่ข้างในเรารู้สึกถึงอาการหนักนะด้วยลมหายใจนี้ลมหายใจนี้รู้สึกหนังๆอยู่แล้ไม่ใช่ไปเร่งลมหายใจนะแต่รอว่าเออเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายจะดึงลมหายใจเข้าใหม่แล้วสังเกตุกทไีไอ้ที่มันรู้สึกหนักๆเ น, น, นี่ยมันยังเท่าเดิมอยู่ไหมเท่าเดิมก็ยอมรับว่าเท่าเดิมแต่ถ้ามันต่างไปมันเบาลงก็รู้ว่าเนี่ยมันตามไปแล้วเป็นการเห็น ความไม่เที่ยงของอาการอึอดอัดน่าจุดเกิดเหตุแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่พอะเก็บอัดแล้วเราเก็บอัดเลยไม่คิดจะทําอะไรให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่สังเกต ด, ด้วยว่ามันเปลี่ยนไปแล้วแล้วยังรู้สึกแต่ว่ามันแข็งเท่าเดิมจนกระทั่งเขาจากไปเขาหายไปมันก็ยังรู้สึกแข็งๆขืนๆอยู่นี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่สิ่งใหม่ก็คือว่าเราจะสังเกตอาศัยลมหายใจในแต่ละลมเนี่ยมาดู ว่ามันเปลี่ยนแปลไปงไปยังไงะก็คือสรุปว่าสมมุติถ้ามีเหตุการณ์นี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรเราแค่สังเกตลมหายใจของเรานะ<แ>เวลานั้น<แ>ใช่ไหม<แ>คะไม่ใช่ลมหายใจอย่างเดียวนะดูไออาการแข็งแข็งก่อนด้วยความอึดอัดเป็นตัวตั้งก่อนแล้วรู้ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในลมหายใจ น, นี้เสร็จ แ, แล้วพอเออร่างกายต้องการลมหายใจละลอกต่อมาเราก็สังเกตต่อว่าไอที่รู้สึกอึอดอัดรู้สึกหนักๆอยู่เนี่ย มันต่างไปแล้วหรื อ, อยังตัวอารมณ์ก่อนไม่ใช่ตัวลมหายใจก่อน priority อยู่ที่ตรงนี้อารมณ์เป็น f o r รา r o u ลมหายใจเป็นแ a c k g r o u n d คือดูาอารมณ์เราเฉยๆดูเฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรกับมันถูกต้องแล้วสังเกตเอาว่าแต่ละลมหายใจมันต่างไปแล้วหรื อ, อยังไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่เอาลมหายใจเป็นตัวสังเกตคนเนี่ยจะมองไปเรื่อยและอยู่ในอาการจ้องจ้องแบบล็อกโดยไม่รู้ตัว และวแนะนำโทษนะคะคือสมมติว่าหลังจากดูตรงนี้เสร็จเราถึงค่อยนั่งสมาธิได้ใช่ไหมคะใช่ต้องไปวิ่งมันก็คิดว่าจะไปวิ่งฟังมาสองสามวันเออมันก็น่าจะเริ่มต้นที่ดีระหว่างวิ่งเนี่ยต้องเข้าใจหลักการนะเราสังเกตความรู้สึกที่เท้ากระทบนะแต่นี้เนี่ยในหัวเนี่ยมันเหมือนมีอะไรหนักๆอยู่ตลอดเวลาคือคือพอไปวิ่งเนี่ยมันจะไม่ลืมตรงนั้นมันจะเหมือนกับ จะออกกําลังกายจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะเหมือนมีอะไรแข็งๆอยู่ในหัวอยู่ตลอดนั้นถ้าวิ่งวันแรกๆ แ, แล้วไม่ได้ผลมันไม่สามารถรู้สึกถึงเท้ากระทบได้ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องแปลกใจแต่ว่าอาศัยลูกดือ้อนิดหนึ่ง อ, อันนี้อาศัยความดื้อให้เป็นประโยชน์นะทําต่อไปสักอาทิตย์หนึ่งให้ต่อเนื่องวันละแค่ห้านาทีพอไม่ต้องมากกว่านั้น รู้สึกถึงเท้ากระทบอย่างเดียวถ้าไม่ได้วันแรกๆถ้ามันเหมือนกันยังแข็งๆอยู่ดูต่อดูจนกระทั่งรู้สึกขึ้นมาว่า ใ, ใจเราเริ่มไปโฟกัสอยู่กับความรู้สึกที่เท้ากระทบนะแล้วตรงนี้มันจะค่อยๆเบาบางลงเดือนมกรากเข้าคอสมาธิไว้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือตอนนี้พยายามหาวิธีแบบจัดการที่ผ่านมาในอดีตให้หมดเลยะคะ่ะเข้าคอสมาธินี่ต้องระวังด้วยนะคือว่า ถ้ามันจะต้องเปืนหรือจะต้องไปต่อสู้อะไรกับความคิดในหัวอะไรเงี้ยคือมันมันมีผลมันมีเอฟเฟกเหมือนกันือรีบรบเคลียซะระหว่างเนี้ยเดือน่องเดือนเนี้ยนะเชียดโดยวิธีนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วขอบคุณค่ะทั้งในระหว่างวันแล้วก็ทั้งไปวิ่งเนี่ยคะสวัสดีค่ะเวลานั่งสมาธิก็จะฟุ้งนะค ะ, ะแล้วก็ บางครั้งก็ปรุงแต่งไปแล้วใช้วิธีเดึงกลับมาที่ลมก็เลยสงสัยว่าอ่แล้วบางครั้งพอเริ่มนิ่งเนี่ยจันเหมือนกับมีอาการสะอื้นขึ้นมาที่ลมหายใจเลยไม่รู้ว่าที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยคือการมันเป็นอาการยื้อนแงสิ่งที่สิ่งที่เราทําเนี่ยเขาเรียกว่ า, าการยื้อลองสังเกตนะมันเหมือนกับว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยอาการทางใจมันคล้ายๆกับกํากลังเอาชนะอะไรบางอย่างอยู่ เข้าใจอารมณ์เอาชนะใช่ไหมคือมันเหมือนต่อสู้เหมือนกับต้องพยายามเหมือนกับต้องตั้งหน้าตั้งตาเอาให้ได้ตั้งทั้งที่มันฝืนอยู่มันมีอุปสรรคขวางอยู่่อันนี้เรียกว่าอารมณ์ยื้อนี้ถ้าส่วนหนึ่งที่มันต้องยื้อเพราะว่าอารมณ์ในขณะนั่งสมาธิมันเป็นอารมณ์ปลอดโปร่ง อารมณ์ที่ไม่คิดปรุงแซนอารมณ์ที่มันคิดอะไรในทางดีที่เป็นบุญที่มันเป็นกุศลแต่บางทีเนี่ยเราต้องอยู่ในวงสนทนาอะไรที่บางทีมันมั น, ม, นมันมีความคิดอะไรที่มันไม่ดีเข้ามามแล้วเราก็่วมไปกับเขา ค, คือคือใจเนี่ยมันไหลง่ายไหลไปในทางไม่ดีง่ายแล้วก็พอความคิดอกุศลโดยเฉพาะเกี่ยวกับบุคคล คนที่ทําไม่ดีค่ะคนที่ทําไม่ดีกับบ้านเมืองคนที่ทําไม่ดีกับบริษัทคนที่ทําไม่ดีกับเรานะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความไม่ยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความเลวร้ายเนี่ยเราจะรู้สึกเซนซิตีฟแล้วก็มีอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวรุนแรงแต่ตรงนั้นอารมณ์พวกนี้ยความคิดพวกนี้ยมันเป็นตัวห้ามสมาธิหมดเลยลองเกอ ด, ดิพอมันเข้ามามืดๆอยู่ในหัว มันจะรู้สึกเหมือนกันมีอะไรหนั ก, นกมันจะมีอะไรอื่นอัดค่ะแล้วพอเราต้องนั่งสมาธิมันต้องต่อสู้กับไอ้ตัวเนี้ยตัวที่มันรบกวนไม่ให้ไม่ยอมให้สงบลองเปรียบเทียบดยตอนใจอยากจะได้ความถูกต้องอยากจะให้อะไรมันถูกต้องอยากจะให้อะไรมันดีหรือไม่ก็อยากจะด่าคนชั่วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันมันจะ มีความรู้สึกถึงการปรุงแต่งที่มันรุนแรงขึ้นมาในหัวค่ะซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ตอนที่มันสงบที่มันเบาเป็นสมาธินั้นถามว่าจุดเริ่มต้นที่ควรจะนับหนึ่งคืออะไรคือว่าพิจารณานะพิจารณ า, างี้ว่าเราจะเข้าวงสนทนาหรือว่าเราจะ ไปร่วมพูดร่วมคุยในเรื่องไม่ดีของคนอื่นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ทําให้โลกนี้ดีขึ้นหรอกยกเว้นแต่ว่าเราจะเข้าไปทำงานอีกแบบหนึง่งนะเราทำงานแบบบริหารปกครองโดยโดยเฉพาะอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่ามีบทบาทจริงแต่นั่งคุยอยู่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยพอพิจารณาอย่างนี้มันก็จะเริ่มเห็นว่าเออการเอาตัวเข้าไปนั่งคุยเอาเอา่อเอาตัวเข้าไปนั่งอยู่ในวงดา วงว่าร้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันไร้ประโยชน์ไร้แก่นสารแล้วทําให้สมาธิจิตเนี่ยมันเกิดยากเพราะเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมองอีกแบบหนึง่งเห็นวงนินทาตั้งขึ้นมาว่าอะไรเนี่ยนี่อันนี้เป็นลบไม่งั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ก็สมควรจะเอาซะหน่อยเพื่อได้มีบทบาทอะไรแสดงว่าเราได้มีส่วนร่วมอะไรอย่างเนี้ยนะค่ะเอะ นี้พอเราเริ่มถอนตัวออกมาจากการดินทาว่าร้ายหรือว่าไปเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยในหัวมันจะเหมือนกับเบาลงมีความสว่างขึ้นแล้วพอนั่งสมาธิเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนอาการฝืนอาการที่จะต้องไปยื้อเนี่ยมันน้อยลงค่ะนะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเหมือนต้องสู้ทุกครั้งเลยไหม ตอนทำสมาธิเนี่ยมันมันมันรบกันระหว่างความคิดฝ่ายมืดกับความคิดฝ่ายสว่างเนี่ยนะคือจะเอาความสงบเนี่ยแล้วเราไปก่อเหตุของความวุ่นวายไว้เนี่ยมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้ที่จะสงบสมาธิกิจเนี่ยมันมีความปลอดโปร่งแต่ว่าคำด่าอะไรในหัวเนี่ยมันเป็นภาวะทึบนะ ถึงถ้าหากว่าเราถอนตัวออกมาจากตรงนั้นเนี่ยภาวะทึบมันหายไปเราจะเลือกว่าทําสมาธิได้สบายขึ้นคือสำรวมระวังวาจามากขึ้นใช่ไหมคืออย่าเอาตัวเข้าไปร่วมในวงดา่าในวงดินท า, วารวาไร ค, คือใครจะเร็วจริงไม่เร็วจริงเนี่ยพอเราได้ไปเออ่ อยู่ในวงสนทนาแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนเปื้อนโคลนเข้าไปแล้วอะ่ะค่ะคือจิตของเราเนี่ยเปื้อนเปื้อนคํานินทาว่าดายเข้าไปแล้วมันไม่เคยทําให้คํานินทาว่าร้ายไม่เคยทําให้จิตเป็นกุศลมีแต่จะทําให้เป็นอกุศลแต่ทั้งนี้ไม่รวมกายตรงที่ว่าเราจําเป็นต้องติติงหรือหาข้อผิดพลาดของบุคคลจริงๆนะถ้าอยู่ในที่ประชุมถ้าอยู่ใน ที่ที่มันจะต้องพูดถึงความไม่ดีของคนจริงๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่พูดไม่ใช่พูดด้วยอารมณ์แบบเค้นออกมาด่าที่ผ่านมามันนึกออกไหมคาว่าเค้นออกมาด่าเนี่ยมันมันมีความรู้สึกสะใจที่ได้ดา่านี่ถ้าเราพิจารณาตามเนื้อผ้านี่ความผิดของเขาแท่นี้เออไม่ควรที่จะได้รับความไว้วางใจนะอะไรเงี้ยอารมณ์มัน แบบเหมือนกับพิจนาของเสียอาหารเสียเสียบอกอันนี้คัดแยกออกมาไม่เอาเนี่ยประมาณนั้นไหนแล้วพอสํรารวมระวังนะเ อ, อเระหว่างนั่งสมาธิเราฟงขึ้นมานี่ก็ดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนี่อย่างตอนเนี้ยค่ะลองดูอ่ะพอพอจิตมันถอนนองเมื่อกี้จิตมันถอนออกมาจากความรู้สึกจะไปร่วมวงแหะคือคือมันถอนลงมายังไม่เต็มยังไม่เต็มสองเท้าน ะ, ะมันถอนออกมาครึ่งนึง มันมันมีความตั้งใจที่ดีแล้วแต่ถ้าจะพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันต้องมีวงอะไรแบบนั้นขึ้นมาถ้าดูว่าใจของเราเนี่ยจะพุ่งเข้าไปหรือจะถอนออกมาพอมันถอนออกมาหลายๆครั้งเนี่ยมันจะถอนออกมาจริงแต่ตอนนี้มันมันรู้สึกคลายออกไปเกือบครึ่งขอบคุณค่ะเริ่มปฏิบัตินะคะก็รู้สึกว่าความทุกข์ของเราในใจเนี่ยเริ่มลดน้อยลงอะคะ่ะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราใช้เหตุผลทางความคิดหรือว่าจงใจบังคับให้ความทุกข์ดับหรือว่าเราความการยอมรับความจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจริงเอา จ, จงรา่ละเอียดดีกว่าอย่างพอมีความเศร้าขึ้นมาเนี่ยนะมันตอนนี้มันยอมรับว่าเศร้าแล้วเสร็จแล้วก็มันจะค่อยๆหายไปคือไม่ใช่หายไปทีเดียวนะ แต่มันยังอยู่แล้วก็แป๊บหนึ่งมันจะค่อยๆตาตัวลงอย่างนั้นเรียกว่ายอมรับตามจริงเรียกว่าเห็นจริงๆไม่ได้แกล้งคิดเอาตอนที่เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าใจมันสว่างตอนตอนที่รู้สึกสว่างนะมันมีความสุขแต่รู้สึกว่ายังไม่สุดอันนี้ก็เรียกว่าเห็นจริงๆนึกออกไหมพอ ม, มันสว่างเนี่ยรู้สึกเอ๊ะเรามีความสุข ขึ้นตั้งเยอะแต่ว่ามันไม่สุดมันรู้สึกมันยังมีอะไรจมๆอยู่คาคาอยู่ค้างค้าอยู่ไม่ได้สุกแบบเบิกบานเต็มที่นี่ก็เรียกว่าเห็นจริงเวลาที่เราจะตัดสินว่าเราเห็นจริงหรือเห็นไม่จริงเนี่ยดูจากตรงเนี้ยจากตรงที่ว่าเราสามารถเปรียบเทียบเราสามารถบอกได้สามารถบอกได้ถูกว่าตอนเนี้ยเรา เราเศร้าอยู่หรือเปล่าถ้าเห็นว่าเราเศร้าอยู่ยอมรับว่าเศร้าอยู่แล้วมันหายไปนี่เรียกว่ายอมรับตามจริงถ้าเห็นว่าเออเนี่ยสว่างอยู่แล้วมีความสุกเออมีความสุขนะแต่มันไม่สุดมันมันเหมือนแคบแคบเป็นความสุขแคบแคบยังไม่ใช่กว้างเต็มที่นี่ก็เรียกเห็นตามจริงนะดูเวลาดูเนี่ยดูที่เวทนาดูที่ความรู้สึกทางใจเป็นหลักแล้วตัดสินเอาจากไอ จากสิ่งที่เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นยังไงนึกออกไหมเวลาที่สว่างอ ย, อยู่อยู่ระหว่างวันเนี่ยบางทีมันสว่างขึ้นมาะเห็นว่าไอ้ที่สว่างเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขแต่สุขยังไม่สุดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ความคิดมันเป็นความรู้สึกอยู่อย่างนั้นของมันว่ามันไม่สุดนี่เรียกว่าของจริงของจริงทางความรู้สึกมันไม่มีผิด มันไม่มีทางผิดได้เรารู้สึกยังไงเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสำคัญคือว่าเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นยังไงแล้วเนี่ยมีวิธีที่จะสังเกตรหรือเปล่าว่าไอ้ที่สุขไม่สุดเนี่ยแป๊บหนึ่งมันหายไปไกลายเป็นไม่สุขเลยหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มขึ้นกลายเป็นสุขมากกว่าเดิมถ้าเราสามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระดับภาวะที่เราเห็นตอนแรกได้นี่เรียกว่าเรามาถูกทางแน่นอน สรุปนะถ้าเรารู้สึกยังไงความรู้สึกนั้นไม่มีทางผิดมันถูกแน่นอนแต่ถ้าจะให้ถูกทางการเจริญสติคือเราดูว่าไอ้ภาวะตรงนั้นเน่ตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงให้ดูหรือเปล่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงให้ดูเนี่ยอย่าเพิ่งแน่ใจว่าเรามาถูกทางแต่ถ้าเนี่ยอย่างตอนเนี้ที่เข้าใจเนี่ยใจมันใจมันสบายขึ้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงถ้า เราสามารถเห็นได้ว่ามันต่างไปจากเมื่อกี้นี้นั่นแหละตัวนี้ถือว่าเป็นการรู้เป็นสติที่มันเจริญขึ้นบนเส้นทางของการเจริญสติคืออย่าไปพยายามเอาผิดเอาถูกมากอย่าไปพยายามทำความเข้าใจให้มากใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำนะว่าเรากําลังรู้สึกยังไงแล้วก็เอาความรู้สึกตรงนั้นเนะี่ยเป็นตัวตั้งในการเปรียบเทียบความแตกต่างเข้าใจนะ อีกนิดนึ่งอะคะ่ะคือระหว่างวันจะหลงไปอยู่ในความคิดยาวอ่ะคะ่ะพี่ก็เลยไม่ทราบว่าตัวเองควรจะฝึกยังไงอะคะ่ะนี่ไงเมื่อกี้ที่พี่ให้สังเกตไงว่าอยู่ๆบางทีอย่างเดินๆอยู่เงี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นมาเฉยๆตรงนั้นเนี่ยมันคือความสว่างคิดนึกออกไหมแต่ก่อนเนี่ยมันคิดมากอยู่ตลอดเวลาไงแต่ช่วงที่เริ่มมาสนใจธรรมะมันรู้สึกเหมือนบางทีมันก็สว่างขึ้นมา คำว่าสว่างหมายความว่าคิดน้อยใจสบายแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยที่กำลังมีความสุขอยู่เนี่ยมันมีความสุขจากการที่เราคิดน้อยลงคิดคิดคิดแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นไม่ใช่คิดจุจกจิกยุมมยิมนะเมื่อเราสามารถสังเกตว่าระหว่างวันบางทีมันมีความสบายใจมันมีความสว่างขึ้นมาเป็นปุ๊บ เราจะมีแก่ใจสังเกตมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าเราเริ่มเห็นภาวะแบบไหนที่มันแตกต่างไปจากเดิมเราจะมีแก่ใจมีกําลังใจที่จะสังเกตภาวะแบบนั้นบ่อยขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นทีหลังนะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับพอเราไปล็อกไว้ว่าเราวางวันมึงคิดมาก มันก็จะสังเกตเอ้นี่คิดมากอยู่ตลอดเวลาแต่ช่วงสั้นๆที่มันเกิดความสบายใจเกิดความรู้สึกสว่างขึ้นมามันไม่สังเกตมันไม่มีแก่ใจมันไม่มีกําลังใจที่จะสังเกตเพราะไม่ได้สร้างความเคยชินไว้ไอันนี้ยังพอพี่พูดเนี่ยมันนึกออกใช่ไหมว่าระหว่างวันบางทีเราก็สบายใจขึ้นมาเฉยเฉยเดี๋ยวนึกออกว่าคุยคุยกันตรงนี้ก่อนนึ oh, <okay. S 1> อค่ะอ่าเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราสังเกตบ่อย ยิ่งบ่อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีแก่ใจที่จะสังเกตเข้ามาตรงนี้มากขึ้นแล้วมันกลายเป็นความเชื่อแบบใหม่กลายเป็นมุมมองแบบใหม่ว่าไม่ใช่ว่าระหว่างวันมันคิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้ตอนตอนถามเนี่ยคือว่าเหมือนกับคิดหยุมยิมอยู่ตลอดเวลาถูกไหมนี่พอพี่ชี้ให้สังเกตว่าเฮ้มันไม่ได้ตลอดเวลาบางครั้งมันก็สว่างบางครั้งมันก็รู้สึกสบายใจมีความสุขอย่างเนี้ยนะมันก็เกิดมุมมองใหม่ขึ้นมาแล้ว แล้วมันจะเกิดมุมมองแบบนี้ได้แข็งแรงมากขึ้นเท่าไหร่นะ เ, เราก็จะมีใก่ใจที่จะมองมันแล้วเห็นเปรียบเทียบมากขึ้นเท่านั้นนะเปรียบเทียบไปตอนนี้มันคิดหยุมหยิมมันไม่ใช่หยุมหยิมอยู่ยยตลอดเวลามันมีช่วงพักด้วยนะขอบพระคุณค่ะโอเคไอ้ปูแล้วข้างหลัง ค่ะคืออยากจะเรียนถามนะคะคือว่าเวลาที่มีอารมณ์โกรธหรือว่าทุกข์อย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงให้หายไวอะคะเพราะว่าบางทีโกรธอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์แต่มันก็ยังไม่ไม่ไ ม, ไม่หายไปจากใจอะไรเงี้ยปัญหาหรือโจทย์โจทย์ของน้องมันไม่ได้อยู่ที่ความโกรธโจทย์จริงๆของชีวิตเรานะจะไม้ดีๆนะคือความอยากได้อย่างใจ<ป>มันมันมีอยู่รุนแรงมาก คือเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้อะไรมันต้องได้มันคือเหตุผลเนี่ยมันเป็นรองไปเลยนะรู้แต่ว่าจะต้องเอาให้ได้แล้วบางทีเนี่ยเราเคยห้ามใจตัวเองเราเคยอธิบายตัวเองเว่าเออมันไม่ดีนะมันอย่างว่นงี้แต่ใจเนี่ยมันไม่ยอมเชื่อคือคือมันเหมือนกับมีแรงมีพลังอะไรบางอย่างที่จะพุ่งออกไปอยู่ตลอดเวลาจะต้องเอาให้ได้นี่พอเรามีมุมมอง ว่าโจทย์พื้นฐานในชีวิตเราเป็นที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ความโกรธเราจะเริ่มมีมุมมองสังเกตเข้ามาที่อาการทางใจอีกแบบหนึง่งอย่างที่พี่ว่าเนี่ยใจมันเหมือนกันจะพุ่งพุ่งพุ่งอย่างเดียวพุ่งท่าเดียวตอนที่นึกออกใช่ไหมเวลาที่อยากได้อะไรมันจะพุ่งท่าเดียวมันไม่สนใจสิ่งกีดขวางหรือว่าเหตุผลอะไรที่มันมากั้นทั้งสิ้นนี่พอเราเริ่ม ที่จะมองเข้ามาเฮ้ยเออมันมีอะไรบางอย่างนะใจของเราเนี่ยมีธรรมชาติพุ่งได้ตรงเนี้อย่างพอพี่พูดไปเนี่ยแล้วน้องนึกออกเนียมันมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยมันสามารถหยุดได้เช่นกัน <Okay. S 1> หยุดทุกครั้งที่เราเห็นว่ามันพุ่งอาการพุ่งหน้าตาเป็นไงคือไม่ต้องเอาเหตุผลอะไรไปอธิบายทั้งสิ้นนะเอาแค่การเห็นการมีสติเห็นอย่างเดียวว่ามันพุ่งออกไป มันจะมันมันจะอ่อนกําลังลงเองแต่ถ้าเราไม่เห็นจริงนะมันจะมีอาการเหมือนกับว่าเฮ้ยยังอยากอยู่เต็มที่มันก็ยังพุ่งไปงนั่นแหละเขียนเท่าไหร่มันก็ยังยังพุ่งไปตรงนี้มันจะมีข้อสังเกตสองอย่างคือว่าเียนอาการพุ่งและหยุดการเห็นอาการพุ่งและยังพุ่งต่อเราก็จะได้รู้ไงอย่างน้อยจําแนกถูกแบบป้ายให้มันได้ถูกว่า ตอนที่เห็นอาการพุ่งและหยุดนั่นแสดงว่าเรามีสติเห็นอาการพุ่งจริงๆแต่ตอนที่พุ่งและยังพุ่งต่อไม่เลิกนั่นแสดงว่ามันยังมีอาการตรึกนึกมันยังมีอาการคิดต่อไม่ใช่มีสติเห็นจริงๆเข้าใจพลอยไหมสองสองจุดนี้เนี่ยเห็นแค่นี้นะแค่เห็นสองอย่างเนี้ยอาการสองอย่างความเป็นไปได้ของอาการอยากให้ได้อย่างใจมันแก้ได้ทุกอย่าง ทั้งอารมณ์โกรธโดยไม่มีเหตุผลทั้งอารมณ์คิดแบบเหมือนการวกวนของเราบางทีนะเราพยายามคิดเอมันจะต้องมีเหตุผลยังไงนะหนึ่งสองสามบางทีมันคิดไม่ออกมันวนมันวนอยู่กับสิ่งที่เราอยากได้แล้วพอหลับฝันเนี่ยมันจะเหมือนเงอ้ยฝันอะไรเหนื่อยนะบางทีฝันดีฝันสนุกนะแต่เหนื่อยนึกออกไหมมันมันตื่นขึ้นมามันจําได้วไอ้สนุกดีแต่เหนื่อย และอีกอันหนึ่งแย่เลยคือว่าหลับไปเนี่ยมันฝันเหมือนฝันร้ายเหมือนกับติดอยู่ในที่ที่มันวุ่นวายติดอยู่ในที่ที่เราหลงแล้วก็หาทางออกไม่เจอคือบางทีเนี่ยเหตุการณ์ในฝันมันต่างไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตื่นขึ้นมาอารมณ์ความรู้สึกมันจะเหมือนเดิมมันจะเหมือนกับเราติดอยู่ในกรงขังอะไรบางอย่างที่คล้ายๆเสือติดจันวนอยู่อย่างนี้หาทางออกไม่เจอกับอีกอันหนึ่งสนุก แต่ว่าเหนื่อยเนี่ยสองอารมณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในความฝันของเราบ่อยๆตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกได้นี้ถ้าเราไปมองอย่างที่ว่าการพุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเรามาสำรวจดูใหม่เันจะรู้สึกว่าระหว่างวันเนี่ยอารมณ์คิดมากวุ่นวายมันน้อยลงคือไม่ใช่หายไปนะแต่มันจะค่อยๆน้อยลงลดระดับลง เหลือเอาเท่าที่แบบมันจะเป็นไปได้มากขึ้นที่ผ่านมาเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้ที่เป็นไปไม่ได้เราก็จะเอาคืออะไรที่มันแบบเหมือนกับเรามองคนอื่นแล้วพูดง่ายๆนะสมมติเราอิจฉาใครว่าเอ้ยทำไมเ็ามีแต่ทำไมเราไม่มีอะไรเงี้ยคือไ ม, ไม่สนใจแล้วมันจะพุ่งไปตรงนั้นก่อนแลวใจมันจะคาอยู่ยงนั้นะ ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เห็นเหตุปัจจัยว่าจะได้มาได้ยังไงอันี้ถ้าเราเห็นอาการพุ่งตรงเนี้ยมันมันจะเลิกมองตรงโน้นแต่มองมาที่นี่แทนแล้วมันจะรู้สึกเอ้ยนี่คล้ายๆคล้ายๆอย่างเงี้ยมันสงบลงคือในหัวมันยังเหมือนปั่นป่วนอยู่นะแต่ตรงนี้มันสงบลงมันมันมีความรู้สึกเหมือนใสขึ้น นี่ตรงนี้คือสิ่งที่อยากค่อยๆเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเออกมาจากข้างในนะคสวัสดีนะคะอาจารย์คืออยากอยากได้ข้อคิดอะไรอาจารย์จากอาจารย์อย่างนึงคจริงติดตามอาจารย์มาตลอดครนี้แล้วตัวเองก็เป็นคนที่ที่ในเรื่องของการควบคุณจิตใจอะไรค่อนข้างเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างดีครนี้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่า เดี๋ให้พี่เขา okay, okay. คือจริงๆอยากจะทราบถึงวิธีปฏิบัติอค่ะอาจารย์ว่าในระหว่างวันเนี่ยธรรมดาตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่คิดตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องงานเรื่องคนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันเบาลงเยอะแล้วเบาวกว่าแต่ก่อนเยอะเห <c oughs> ็นไหมคือมันยังคิดอยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่มันไม่าําคาญไม่อึดอัดเท่า <c oughs> แต่ก่อนมันหนักหัวอยู่ตลอดค่ะ <c oughs> ตอนเนี้มันเหมือนกับคิดอยู่ลาคาญแต่ว่ามันมันไม่ได้อึดอดัดค่ะมากเหมือนแต่ก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือก่อนหน้าเนี่ยคือคือก่อนหน้านี้เองนิดเดียวเนี่ยนะคคือเราเองเนี่ยเราโดนหักหลังมันเหมือนกับช่วงเวลาสิบห้าปีที่เราได้ได้เราคือคือทุมเพให้ความริงใจเร า, เร า, เ, ราเราผู้จุดเราเป็นผู้ฉุดดึงด้วยนะคะจุดดึงในเวลาที่เขาล้มลงในเวลาที่ทุกอย่างรอบตัวเขาล้มหมด พอถึงเวลาวันนี้แต่ตัวเองก็เป็นคนทำงานแล้วตัวเองก็เป็นคนดูแลครอบครัวแต่พอถึงเวลาวันนี้เขาเริ่มจะจะโผล่พลน้ำออกไปเขาเริ่มดีขึ้น เ, เขาเขาเปลี่ยนโดยก็ให้คำตอบว่าเราอะไม่มีเวลาให้เราดูแลแต่ครอบครัวแล้วเราไม่มีเวลาให้เขาครัน้นี้วันนี้ก็เลยคิดว่าเราเพราะเราเองก็เป็นคนมีธรรมะอยู่เหมือนกันก็สวดมนต์แล้วก็คิด คือคือจุดหนึ่งก็คิดว่าโอเคกลรมมันเป็นของของตนกรมเป็นผู้ให้ผลกรรมมันเป็นผู้ติดตามเขาก็คิดแค่นั้นแต่มันยังไม่พอค่ะอาจารย์คือคืออยากได้อะไรม า, าคือในถึงห้วงเวลาหนึ่งก็จะมีความคิดถึงเรื่องที่มันมันยังต้องวนเวียนอยู่ตรงนั้นมันจะกลับมาคราวนี้เราเองต้องต้องดำเนินต่อค่ะชีวิตต้องดำเนินต่ออยากได้ อะไรสักอย่างที่ดีๆเข้ามาแล้วบอกว่ามันสามารถจะหลุดจากตรงนี้ได้วันนี้ก็คือเราอยู่ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้อภัยแล้วเราปล่อยแล้วแต่ในบางช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีดึงเข้ามา <Okay. S 1> ตลอดเวลาคือที่ผมเห็นเนี่ยใจให้อภัยจริงมันไม่ได้แกล้งอภยัยแต่มันยังอดน้อยใจไม่ได้คือน้อยใจกับแค้นใจมันคนละอารมณ์กันดีกรีมันต่างกัน ความน้อยใจเนี่ยมันเคลือบอยู่ด้วยความไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่แค้นใจว่าจะไปเอาเขาให้ตายหรือว่าเอาคืนให้เจ็บอะไรอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าหากว่าเรามองจุดแข็งกับจุดอ่อนของจิตใจเราเนี่ยว่ามันมีอะไรอยู่บ้างโดยภาพรวม ก็จเห็นว่าจุดแข็งอ่ะโอเคมีความเป็นที่พึ่งพึ่งพาตัวเองได้เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้นี่คือจุดจุดแข็งนะซึ่งคนในโลกมันไม่เคยมีกันจุดแข็งตรงนี้แต่จุดอ่อนก็คือมันเสียใจง่ายนี้ถ้าถามว่าจะลบไอ้จุดอ่อนหรือว่าไอ้จุดบอดตรงนี้ทิ้งไปได้อย่างไงแน่นอนไม่ใช่อยู่ๆมาตั้งใจว่าฉันจะไม่มีจุดอ่อน แต่มันต้องเกิดจากการที่เรามีแบบฝึกหัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบฝึกหัดหนักๆแบบฝึกหัดแรงๆไอ้อะไรที่เราไม่เข้าใจมากๆไอ้ที่ทำให้เราเสียใจมากๆก็คือกรณีนี้แหละเมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นอย่าปล่อยให้โอกาสทองที่เราจะได้ทำแบบฝึกหัดมันหลุดลอยไปเรามองด้วยความเข้าใจเลยว่านี่ มันคือการเปิดเผยจุดอ่อนของเราออกมาให้ใจเรารับรู้ให้สติของเราเห็นถ้าหากว่าเราเห็นจุดอ่อนตรงนี้มองว่าเออมันรบกวนจิตใจมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราได้ก็ให้มองว่าเนี่ยหน้าตาความเป็นจุดอ่อนเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันพอมองเข้ามานะมองเข้ามาที่ความเสียใจมันจะรู้สึกเลยว่า เดิมเนี่ยตอนเป็นที่พึ่งมันจะมีความเข้มแข็งอยู่ใช่ไหมแต่เพราะมันมีความเสียใจง่ายเนี่ยจิตมันจะอ่อนย่มลงไปจิตมันจะเหมือนกับเป็นอะไรที่ไม่แข็งแรงมีความเปราะมีความบางพอรู้สึกถึงอาการเปราะอาการบางอาการที่ใจมันไม่สามารถตั้งอยู่ด้วยความมั่นคงนี่จิตมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเข้มแข็งขึ้น มันรู้สภาพเมื่อกี้พูดมาตั้งยาวเนี่ยเนี่ยวนำให้เพื่อเนี่ยวนำให้รู้สึกถึงสภาพที่มันเปราะ บ, บางเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นบูบเนี่ยเห็นไหมพอรู้รู้ยอมรับตามจริงคือคืออย่าไปบังคับให้มันเข้มแข็งขึ้นมาเอ้เมื่อกี้ที่มันรู้สึกแข็งแรงขึ้นมาเพราะว่าเรายอมรับตามจริงว่าสภาพเปราะ บ, บางสภาพอ่อนแอหน้าตามันเป็นแบบนี้เห็นแค่หน้าตาของมัน จะได้เลิกนึกถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกเปราะบางมันเห็นแต่อาการตรงนี้ไม่ได้เกิดภาพที่ตรงนี้เนี่ยมันบู้บู้บา้บาบา้บาอยู่เรื่อยๆเราก็ดูมันจะได้เห็นเปรียบเทียบไปเรื่อยๆเช่นกันว่าเดี๋ยวมันก็รู้สึกแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นมาบางครั้งมันก็เปราะบางแบบยบยาบเหมือนไงอยู่ในพื้นอะไรที่มันเหลวๆนะ มันเหมือนกับไม่มีความแข็งแรงมันเหมือนกับนะพร้อมที่จะเป็นหนองน้ำตานี่พอเห็นไปอย่างนี้เรื่อยๆด้วยสภาพยอมรับทางใจสติมันจเจริญขึ้นทุกครั้งที่เกิดความเสียใจมันจะรู้สึกขึ้นมาว่าเนี่ยความเสียใจมีประโยชน์นี่นี้ตรงนี้ดีมเมื่อกี้คือพอรู้สึกขึ้นมาว่า มันมันเห็นตัวภาวะแล้วไม่รู้สึกยี่งระไม่รู้สึกว่ามันน่ารังเกียจอะไรเห็นแค่เป็นภาวะอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาให้ฝึกดูมันเกิดสติขึ้นมาตัวนี้เนี่ยมันดีกว่าข้อคิดเพราะตัวนี้มันกลายเป็นการปฏิบัติเพื่อกันเห็นภาวะเข้าไปจริงๆเนี่ยตอนนี้ที่ใจมันสะอาดขึ้นมา เห็นไหมเห็นความแตกต่างใช่ไหมคือค่อยๆค่อยๆดูไปทีละลมหายใจทีละลมหายใจว่าภาวะทางใจมันเป็นยังไงอยู่ยอมรับมันให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวพอออกไปมันจะกลับตกลงไปอีกกลับแย่ลงไปอีกก็นั่นแหะให้ฉวยโอกาสว่านี่คือโอกาสปฏิบัติอีกแล้วทันนี้มันจะมีมุมมองที่เป็นคนละเรื่องกับของเดิมที่มันจะต้องมาสอนตัวเองมันต้องพยายามปลอบใจตัวเองหรือว่าพยายามเอาข้อคิดอะไรไม่ใช่แล้ว แต่เป็นการเจริญสติเพื่อที่จะได้เอาแบบพระพุทธเจ้าเห็นความไม่เที่ยงจากของจริงไม่ใช่เห็นความไม่เที่ยงจากการคิดเอาอเนี่ยตอนนี้ที่รู้สึกเฉยเฉยเนี่ยตัวเนี้ยตัวตัวโจทย์เนี่ยพอตั้งผิดนะมันไม่มีการปฏิบัติที่ถูกแน่นอนพอเราคิดว่าเฮ้ยอยากหลุด ตัวอยากนั่นเนีะมันยึดไว้เรียบร้อยแล้วยึดจิตของเราไว้กับอุปทานเรียบร้อยแล้วที่มันจะต้องเอาให้ได้ตัวนั้นเป็นภาวะตัณหาแล้วจําไว้ว่าภาวะตัณหาไม่เคยนําไปสู่สิ่งที่เราจะได้สมใจจริงๆภาวะตัณหาเนี่ยมันถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มแต่ถ้าเราเลิอกอยากแต่ยอมรับเมื่อเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันหลุดตอนนี้แล้วแต่โอเคหลุดไม่ขาด ไม่ใช่ได้ฝึกปฏิบัติอีกไงสมมติว่ามันจะต้องเกิดภาวะเสียใจอีกหมื่นครั้งแต่ถ้าตั้งมุมมองไว้อย่างนี้หมายความว่าเราจะได้ฝึกปฏิบัติอีกหมื่นครั้งเช่นกันสําคัญที่ตรงนี้ตั้งมุมมองไว้อยังไงตั้งโจทย์ไว้ยังไงถ้าหากว่าถูกทางแล้วเนี่ยมันได้เจริญสติต่อขึ้นไปต่อยอดขึ้นไปได้เรื่อยๆแน่นอนไม่ว่าภาวะที่เราใช้ฝึกเนี่ยมันจะเป็นภาวะดีหรือไม่ดีก็าตามนะะ ที่ถามไปเรื่องปฏิบัติอะคะ่ะเพราะว่าเอาอย่างในระหว่างวันเนี่ยแบบจะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรตลอดเวลาบางทีคิดเรื่องนู้นกระโดดไปคิดเรื่องนี้เออ่แล้วก็คิดวนไปวนมาตลอดเลยค่ะก็เลยอยากจะทราบถึงว่าวิธีปฏิบัติระหว่างวันเนี่ยเราควรจะทํายังไงให้มันเหมือนกับว่าเราจะได้มีสติอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือของเราเป็นประเภทที่ว่า บางทีตกลงอะไรกับตัวเองแล้วอะเบี้ยวค่ะเบี้ยวกับตัวเองค่ะคือมันบางทีนะเรารับปากใครอย่า ง, างรักษาคำพูดนะแต่กับตัวเองเนี่ยบางทีตั้งใจอะไรไว้อย่างมันไม่มันไม่รักษาปัญญาค่ะ <c oughs> ถือว่าเอ้ยอันนี้ไม่เดือดร้อนใครแต่จริงๆมันเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละความคิดแบบกระโดดไปกระโดดมา กรณีของเราเกิดขึ้นมาจากการที่เราชอบเบี้ยวตัวเองจำจาไว้เป็นคีย์เวิร์ดนะนั้นถ้าหากว่าเราแก้ที่ต้นเหตุนะคือต่อไปตั้งใจอะไรแล้วเนี่ยคือรักษาสัญญากับตัวเองให้ได้แล้วก็เหมือนกับไม่ว่าจะยากลำบากไม่ว่าจะต้องไปเสียดายอะไรแค่ไหนเนี่ยคือต้องทำให้ได้คือคือคิดไว้อย่างนี้ ตั้งใจอะไรที่มันดีที่มันชอบ <คะ S 2> แล้วเนี่ยเอาให้ได้ <คะ S 2> แต่ถ้าตั้งใจอะไรไม่ดีล้วทมเลิกความตั้งใจอันนั้นเยี่ยม<ค>ะน ะ, ค, ะคือมันมันกลับกันนะตั้งใจอะไรไม่ดีเราล้มเลิกเนี่ยจิตใจมันจะเข้มแข็งขึ้น <คะ S 2> แต่ถ้าตั้งใจอะไรดีๆแล้วไม่ทำตามที่ตั้งใจอันนะ้มันจะอ่อนแอลง <คะ S 2> แล้วทำให้ผลเนี่ยก็คือว่าคิดเรื่องนี้ทีคิดเรื่องนี้ทีแล้วมันคล้ายๆกใจเราเนี่ยมันมีเรื่องพวงอยู่ตลอด ใช่ค่ะเพราะคื อ, อ้กลัวว่าไอ้นี่มันไม่เสร็จไอ้นี่มันเนี่ยเดี๋ยวมันต้องคิดเรื่องนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีชอบทําให้แบบชอบคือบางทีเรื่องของตัวเองอ่ะจะคิดว่าแบบเออไม่ไม่ไม่ได้สําคัญเท่าเรื่องของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดูพลอยที่มันเป็นตัวคีย์จริงๆเนี่ยที่ทําให้ของเรากระโดดไปกระโดดมาเนี่ยก็คือตัวเนี้ยค่ะถ้า ถ้ารักษาสัญญากับตัวเองได้เนี่ยมันจะเอาเติมมาเจริญส ต, ติได้จริงๆค่ะในนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเจริญส ต, ติยังไม่ได้เต็มที่เนี่ยก็เพราะว่าอารมณ์มันวนไปวนมาค่ะเอาและโอเคก็เหลือกันแค่นี้วันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมกันครับสวัสดีครับ